พิเรตมันชอบหลอกเนาหลอกให้หลงหลงคิดว่าตรงนน้นดีกว่าตรงนี้พอไปตรงโน้นก็สู้ทางนี้ไม่ได้ก็ต้องกลับมาอยู่ดีแต่ถ้าไม่ได้ไปก็ไม่รู้ต้องถยกหลอกก่อนแต่ก็ไม่เข็ดเดี๋ยวมันก็หลอกไปเดี๋ยวก็หลอกไปที่นน่นต่อหลอกไปที่นั่นต่อไปไหนก็เดี๋ยวก็ต้องกลับมาที่นี่อยู่ดี เนี่ยเป็นเพราะใจเราไม่มีความสุขในตัวเองมันก็เลยถูกหลอกไปเรื่อยๆเราให้ไปซื้อกระเป๋าลอกให้ซื้อรองเท้าลอกให้ไปมีแฟนเอาให้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วเป็นยังไงน้ำตาตกใ น, เ, นเหนื่อยเมื่อยล้าเสียงเป็นเสียงตายเดินทาง เดินทางบนถนนบนบนน้ำบนอากาศเดี๋ยวเผลอก็ตกลงมาทุกรหลอกความสุขอยู่ในตัวเองไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าความสุขอยู่ในตัวเรา อยู่ที่ทำใจให้ฉลาดเชื่อพระพุทธเจ้าในเมื่อเราไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอยู่ในใจเราให้เราเข้าหาใจเราดึงดึงตัวเราให้กลับเข้ามาที่ใจอันนี้ตัวเราถูกกิเลสหลอกให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่าง หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้หาคนนั้นหาคนนี้หาแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้หาไม่ได้ก็ร้องไห้หาได้ก็ร้องไห้เรจะไปหามทำไมไม่หาก็ร้องไห้ไม่หาก็กุ้มกกุ้มใจหวาเวยเศร้าส้อยงอยเหงา เราต้องมาเข้ามาหาใจหาความสุขในใจเราดีกว่าพอเราได้ความสุขในใจแล้ ว, ลวเราก็เลิกหาทุกอย่างพราะไม่มีอะไรจะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ ข, ของใจนัตทิสันติปาลังสุ ข, ขงังไม่มีความสุขนัใดที่จะดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ อยู่พัทยาก็หลอกให้ไปหัวหินนะไปหัวหินก็กลก็ไปถึงแล้วก็เหมือนกันมีน้ำเหมือนกันมีมน้ำมีมีพระอาทิตย์เหมือนกันมีชายหาดเหมือนกันมีคนเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่ใจมันคันนะใจมันคันมันต้องเกาที่ใจเลยมันไม่ไปเกาที่ใจมันไม่ไปเกาที่ ที่ที่อื่นนะไปเกาที่หัวหินมันก็ไม่หายบางคนก็ไปเกาที่อังกฤษบางคนก็ไปที่อเมริกาบางคนก็ไปเกาหลีเกาแล้วหายคันไหมไม่หายกลับมาเดียวว่าคันเหมือนเดิมแตาอยากจะให้หายคันให้มาเกาที่ใจใจเราตอนนี้กำลังคันคันด้วยความโลภ คันด้วยความอยากต้องหยุดความโลภหยุดความอยากแล้วจะหายคันวิธีจะหยุดความโลภความอยากก็ต้องมาจเจริญสติกันมาบริกรรมพุทโธพุทโธกันสวดมนต์กันฟังเทศฟังธรรมกันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันนี่คือวิธีที่จะทำให้ใจเราหายคัน อ่อนใจสงบรลหายคันสบายมีความสุขนี่คือปัญหาของพวกเรารเราไม่รู้ว่าเรากำลังคันกันที่ใจคันด้วยความโลภความอยาก ค, าคันด้วยความหลงหลงเห็นอะไรก็อยากได้คิดอะไรก็คิดอยากได้ อยากจะไปที่โน่นอยากจะมาที่นี่อยากจะได้สิ่งนั่นอยากจะมีสิ่งนี้ลอกเราไปเรื่อยๆความหลงพอเราโชคดีเนี่ ย, เ ร, เ, ยเรามาเจอคนฉลาดคนที่คนที่รู้ทันความหลงรู้ว่าทุกอย่างที่ความหลงมันหลอกแล้วมันบอกให้เราไปหาหเนี่ยเป็น เป็นทุกข์ทั้งนั้นยยิ่งทำให้คันยิ่งใหญ่ไม่ได้ทำให้ความคันหายไปมันยิ่งทำให้มันคันใหญ่ต้องมาเกามาเกาที่ใจเรามาหยุดความโลภหยุดความอยากเอาเมืองต้นเราต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมหาพระสงฆ์วันนี้เรามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วด้วยการฟัง นะคำสอนของพระพุทธเจ้านะเรื่องที่พูดนี้ไม่ได้เป็นของเรานะเป็นเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเยงแต่ว่าเอามาเอามาพูดแทนพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีร่างกายที่จะพูดแล้วพวกเราก็ขี้เกียจไปหาคําสอนของพระพุทธเจ้ากนะันไม่ยอมอ่านหนังสือธรรมะกนะันอ่านหนังสือท่องเที่ยวกันนะ อ่านหนังสือแฟชั่นอ่านหนังสือดาราพ็ให้อ่านหนังสือธรรมะเนหาวมั่วมันก็เลยไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่าเรากำลังหองกันเรากำลังคันกันแต่เราไม่รู้ที่คันมันอยู่ที่ไหนเราไปคิดว่าที่ที่คันก็เคออยู่ที่เราอยาก สิ่งเหนที่เราอยากได้ต้องไปเก่าตรงนั้นอยากได้กระเป๋าก็ต้องไปกเก่ากระเป๋าอยากจะได้รองเท้าก็ไปเก่ารองเท้าอยากจะได้เสื้อผ้าก็ไปเก่าเสื้อผ้าอยากไปเที่ยวก็ไปเก่าแล้วนั่นมันหายไหมไดมากี่ชุดนะไดรองเท้ามากี่คู่นะเนี่ยเมียประธานาธิบดีฟิลิปปินเนี่ยมีรองเท้าต้องพันคู่รองมีเท้าอยู่คู่เดียว แต่มีรองเท้าต้องผันคู่เราจะใส่เลยหมดใส่วันละคู่ในปีนี้ก็ยังใส่ไม่หมดเลยเราใจหายคันไหมก็ไม่หายหายอยากไหมหายโลกไหมหายโกรธไหมหายหลงไหมไม่หายหรอกไม่มีวันหายพวกเขาเนี่ยสู้พวกเราไม่ได้บุญเขาไม่มีเหมือนพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาที่จะมาสอนเขา พกเราในโชคดีมากในบรรดามนุษย์ที่อยู่ในในโลกนี้ที่ได้มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเนถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็เป็นเหมือนญาติโยมทุกวันนี้ตอนนี้ก็คงยังไปเที่ยวต่อมีแรงที่ไหนก็ไปมีเงินจะใช้อะไรก็ใช้จะซื้ออะไรก็ซื้อเพะเพื่อนๆที่เราเรียนหนังสือด้วยกันเขาก็ยังทำอย่างนี้ เขาก็อย่างไปเที่ยวกันไปกินกันไปดื่มกันไปอะไรกันอยู่เขาไม่เขาไม่สนใจที่จะศึกษาเราเป็นคนแปลกเป็นคน ส, สงสัยอยากจะรู้อยากจะเห็นเ น, นีมีเคยได้หนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือรวมาศาสนาหลักของโลกหกศาสนา เอาเอามาแต่ละศาสนามามาสรุปของคำสอนของแต่ละศาสนามีศ mm hmm. าสนาฮินดูศาสนาคริ uh, Chris, uh, สศาสนาพุทธศ uh, าสนาอิ uh, Islam, uh, สลามศาสนาของจีนของอะไรเนี่ยของจีนของแดงของจืน Confucius uh, แล้วก็มีของเตาศาสนาเตา๋าที่อ่านไปแล้วเปรียบเทียบคนดูแล้วมีศาสนาพุทธเนี่ยรู้สึกว่ามีทั้งมันตอบคำถา ม, ไ, มได้หมดทุกคำถามามีท้าพิสูจน์ให้พิสูจน์ได้ศาสนาอื่นนี่เขาให้เชื่อเป็นหลักแต่พิสูจน์ไม่ได้ แา่ศาสนาพุทนี้สอนให้ใหเราพิสูจน์ความจริงได้ความจริงว่าคือความสุขของเราอยู่ที่ไหนความทุกข์ของเราอยู่ที่ไหนใจเราที่ไหนมันที่ขันให้ไปแก้ที่ตรงนั้นพอศึกษาแล้วก็เลยติดใจศาสนาพุทธทั้งๆที่เมื่อก่อนก็อยู่อยู่เงไทยแต่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาศาสนาพุทธอย่างลึกซึ้ง ตอ น, นเด็กๆก็เคยเรียนโรงเรียนโรงเรียนก็เคยพาไปวัดในวันพระไปฟังเทศไปฟังเทศในวันพระไปไหว้พระสวดมนต์ก็รู้บ้างนิดหน่อยรเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าประสูตแล้วก็เดินเจ็ดเก้าจะไปเน้นๆนตรงเดินเจ็ดเก้ากันนะซึ่งก็อาจจะเป็นความจริงก็ได้ ใจของพระเจ้านี่เป็นใจผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นใจเด็กเป็นใจที่มีสติปัญญาแล้วจึงไม่แปลกพอเกิดออกมาก็เดินได้เลยเหมือนกับวัวควายนี่มันเกิดมามันก็เดินได้ยอยู่ที่ใจใจของพระเจ้านี่มีสติมีสติมีปัญญามากจึงสามารถสั่งให้ร่างกายนี้พอออกจากท้องแม่ขึ้นมาก็ลุกขึ้นเดินได้เลย เนได้เจ็ดเก้าแต่นั่นไม่ได้เป็นจุดเด่นของพระพุทธศาสนาแต่พวกเรามักชอบเอาพวกอภินิหารนี่มาเป็นจุดเด่นจุดเด่นของพระพุทธศาสนาก็คือคือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้า อันนีนะ้เป็นจุดเด่นแต่พวกเราไม่เข้าใจกันเพราะมันเป็นเรื่องของนามธรรมาเรื่องของจิตใจเราไม่เข้าใจเรื่องของความทุกข์ทั้งๆ ท, ที่เราทุกข์กันอยู่ไม่เข้าใจเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าเป็นยังไงอันนี้ต้องเจอความทุกข์มากๆก่อนอย่าเราทุกขกันทั้งนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับ อยากจะข้าตัวตายแล้วตอนนั้นถ้าได้พบกับคาสอนของพระพุทธเจ้าเราสอนให้มาหาข้ามจิตใจทำใจให้สงบ พ, พอใจหายทุกข์ก็ถึงจะเห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาก็<ม>าเราทุกคนต้องทุกข์ถึงจะเข้าหาศาสนากัน เพงแต่ว่าจะทุกมากทุกน้อยคนบางคนทุกนิดเดียวก็เป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกไม่ต้องถึงกับให้ทุกแบบจะฆ่ตาตัวตายเพียงแต่สั่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้วไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวก็ทุกแล้วนี่มันก็อาจจะเป็นประเด็นให้ไปวัดได้ไ ป, ไปศึกษาไปปฏิบัติ ท, ทําได้คนบางคนจิตใจเขาก็ขนาดนั้นนะ mm. เขา ก็คอยสังเกตดูใจอย่างเราเนี่ยคอยสังเกตดูใจหาความสุขอยู่เลยหายยังไงเนี่ยหาปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวความเหงาความว้าเหวก็กลับมาเพราะเราชอบอยู่คนเดียวเราไม่คมอ่อยชอบอยางจะสูงสิงกับใครแต่พออยู่คนเดียวมันมันไม่มีอะไรทำมันก็ว้าเหวขึ้นมานพอมีอะไรทํามันก็มันก็หายไปชั่วคราวเอาไปเที่ยว ไปเล่นไปทําอะไรก็หายพอกลับมาก็เป็นอีกทำยังไงก็ไม่รู้หาวิธีแก้มันไม่ได้จนมาอ่านหนังสือธรรมะของอุงตาจา้าเนอุตาจา้าบอกว่าเนี่ยความทุกข์มันเกิดจากความยาอยากอยากแล้วก็ต้องไปตามตามความทุกข์ถ้าไม่ได้ทํา ก, ก็ก็ทุกข์ทำเสร็จก็ทุกข์อีกเพราะว่ามันสุกเดียวเดียว ส่วนแล้วเดียวมันก็กลับมาความอยากมันก็กลับมาใหม่ความเหงาก็กลับมาใหม่ก็ต้องไปทำอีกไปเที่ยวอีกเจ้าบอกต้องมาหยุดต้องมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สังเกตดูให้ศีลเราก็มีอยู่นะเราเป็นคนนิสัยที่ไม่ชอบค่าทรรพ์ไม่ลักทรัพย์เรื่องบพัพคิดต์ไว้ น, นี่ยังไม่ไ้อาใจ ยังชอบเที่ยวอยากชอบเล่นอยู่แต่เรื่องรักทรัพย์เรื่องขโมยเรื่องโกโหกนี้มันจะเวลาทํามันทําบ้างแต่ว่ามันทําแล้วมันรู้สึกว่าไม่สบายใจไม่ชอบทําไม่อยากทําถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงสุรายาเมาก็ดื่มบ้างแต่ไม่ติดก็รู้สึกว่าเราก็พอมีศีนอยู่ก<ม>็อะไร เรามาศึกษาว่าทำสมาธิทำยังไงก็ให้เจริญสติให้ควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับรมบริกรรมพุโทโธหรืออยู่กับร่างกายตอนนั้นเราชอบใช้ร่างกายชอบดูร่างกายลืมตาขึ้นมาก็ดูร่างกายเลยตอนนี้ร่างกายกาลังอยู่ในท่าไหนกำลังอยู่ในท่านอนกำลังนุกก็ดูมัน กำลังยืนก็ดูมันกำลังเดินก็ดูมันกำลังล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำก็ดูมันดูแต่ร่างกายไปดึงใจแม่ไปคิดถึงอดีตแม่ไปคิดถึงอานาคตนี่ยแล้วพอว่างก็นั่งหลับตาดูลมหายใจต่อลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้ดูเฉย มันดูดูเด็กเนี้ยเด็กมันคลานก็ดูมันเด็กมันเดินมันยืนก็ดูมันไปดูลมไปเพื่อไม่ให้ใจไปที่อื่นมีงานให้ใจทำไม่ให้ไปคิดถึง เ, เพื่อนผูงไม่ให้คิดถึงความสุขจากการไปเที่ยวกันไปทำอะไรกันให้อยู่เฝ้าดูร่างกายไปแล้วก็พอไม่มีอะไรต้องทำก็นั่งมัน นั่งหลับตาพอนั่งหลับตาดูลมมันก็มันก็ว่างมันก็เบามันก็สบายนั่งบ่อยๆเข้ามันก็มันก็ตกหลุมตกลงไปแล้วก็นิ่งสงบมีความสุขมันพอมันพบกับความสุขจากการนั่งสมาธิมันเข้าใจแล้วนี่ะนี่แหละคือที่เราที่่ะต้องต้องไป ความสุขของเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกเลยข้างนอกเคยไปมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนั้นก็กาอายุี่สิบกว่าอายุยี่สิบกว่ามันก็ยังมันก็ยังไม่เจอความสุขที่จริงๆริงสติแท้จริงมาเจอตอนที่จิตมันสงบเลยทีนี้ก็เลยอยากจะนั่งบ่อยๆ<ม>นั่งมากๆ ให้จิตสงบบ่อยๆใช่งหมสงบมากๆตอนนั้นทำงานอยู่ก็รายลาออกเลยตัดสินใจเดือนเดียวดูมีเงินเหลือเท่าไหร่มีเงินพออยู่ได้ปีหนึ่งใช้ประหยัดประหยัดใช้วันละห้าบาทสิบบาทนี่อยู่ได้กินข้าววันละมือ้อข้าวสมัยก่อนก็ไม่แพงข้าวจานละสามบาทข้าวผัดข้าวอะไร าก๋วยเตีเ๋ยก็สองบาทมือหนึ่งสองชามก็อยู่ได้นะห้าบาทก็เลยลาออกจากงานเลยแต่ต้องบอกเข้าล่วงหน้าหนึ่งเดือนบอกว่าสัญญาว่าจะเวลาจะออกจากงานต้องบอกกันก่อนอะไรต้องรอหนึ่งเดือนเพราะมันไม่อยากทำงานแล้วทำแล้ววุ่นวายใจปัญหามากมายเป็นผู้จัดการ ร้านขายติม่มคอยดูแลเด็กเสริคอยดูแลลูกค้าคอยดูมันก็มีเรื่องมีปัญหาอะไรต่างๆขะนั่งสมาธิใจสงบสบายมีความสุขก็เลยตัดสินใจบอกเขาว่าจะลาออกแะขอบอกเขาเดือนหน้าวอดีตรงกับปลายปีวันนี้เลย สิ้นปีเที่ยววันสุดท้ายคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะร้องมันครั้งสุดท้ายมีสองพันห้าร้อยสิบหกเนี่ยธันวาพลกหนึ่งเจ็ก็เริ่มปฏิบัติละปฏิบัติได้ถึงเส้นปีหนึ่งเจ็ก็ตัดสินใจจะบวนแล้ว เขาคิดว่าบวชได้ละเมื่อก่อนไม่แน่ใจกลัวบวชแล้วเดี๋ยวจะทุกข์จะทระมานจะอยู่ไม่ได้แต่พอฝึกนั่งสมาธิฝึกอยู่ถึอศีลแปดไปมันก็อยู่ได้แนเดือนร้อนอหนยก็เลยบวชอยกาเพราะเงินมันจะหมดเงินก็ไม่มีมันต้องเลือกทางแล้วตอนนั้นถ้าไม่บวชก็ต้องไปทํางานถ้าไปทํางานเงินก็ไม่ มีเงินแต่ไม่มีเวลานั่งถ้าไปบวชไม่มีเงินแต่มีเวลานั่งเราจะเอาอะไรเราจะเอาเวลานั่งเราไม่ต้องการเงิน<ม>ก็เลยบวชก็พอมกราหนึ่งแปดก็ไปหาที่บวชก็ได้ได้รับคำแนะนำจากจเจ้าวาวัดใกล้บ้านมาให้ไปบวชที่วัดบอนก็เลยไปไปขอบวชที่วัดบอน เร า, ว, าวันวันบวันท่านก็เมตตาจัดวันบวชให้วันที่สิบเก้ากุมภาสองพันห้ารสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าุมภาสองพันาร้อสิบแปดพอเราปฏิบัติปีหนึ่งเจ็ดตั้งแต่หนึ่งมกราถึงสิ้นปีเต็มเต็มปีพอมกราหนึ่งแปดก็ไปหาที่บวช ต, ตอนต้นก็ไปอยู่ที่วัดช่องรมอยู่เดือนหนึ่ง ตอนน lên, im, Raum, wan, ั me, come, uh, the so months, ali, so ้นเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มสร้างในสวนอันนั้นมีกระต๊อบอยู่สามสี่หลังสีห้าหลังก็เลยไปขอพระครูบุเกตขอไปอยู่ปฏิบัติท่านก็ให้อยู่อยู่ได้ปีอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งกุมพาก็ไปไปวัดบวรไปขอหมวดอยู่วัดบวรประมาณครึ่งเดือนเป็นพระขาวอยู่ครึ่งเดือน อันนั้นพบกับภาะฝรั่งภาะฝรั่งก็เลยให้เป็นลูกศิษย์ล้างบาทรให้กินข้าวก้นบาทของภาะฝรั่งเป็นลูกศิษย์ของภาะฝรั่งท่านจะเปเทือราที่ไหนก็ต้องไปกับท่านเพราะท่านถือเงินเองไม่ได้ต้องถือเงินให้ท่านพางีก็ท่านก็ใช้ให้ไปทําไปซื้อเท้าซื้อของอะไรท่านก็เมตตาให้เราท่านมีห้องอยู่หน้าห้องท่านก็อาภักดิ์ในห้องหน้าห้องท่าน แล้วก็กินอาหารจากที่ท่านบินตะ巴มาก็อยู่นั่นประมาณสองอาทิตย์ก็ได้บวชบวชสบเก้าาคุมภา้าบวชแล้วก็อยู่ที่นั่นถึงเมษาถึงต้นเมษาก็ลาไปอยู่กับหลวงตาที่วัดตาบันตาเมษาต้นเดือนเมษาจำได้ไป ก่อนวันปีไห้วันก่อนวันอะไรนะวันจากปียจากเกยวันที่หกพรษาของวันอสิบป่ะก็ไปอยู่แล้วก็ได้อยู่ที่นั่นอยู่8ปีกว่า9้าพรรษาอยู่พรรษาหนึ่งถึงพรรษาเกที่วัด่ามั่นตั้แลพอออกพรรษา9ก้าก็ พอดีพ่อไม่สบายก็เลยขออนิญาตท่านมาดูแลอยู่ใกล้พ่ออยู่ที่วัดช่องอ่อยู่ที่วัดโพธิสัมภาร์ที่วัดูปัญญาที่ในในพรนพัทยาก็อยู่ที่นั่นเลยได้จำพรรษาที่นั่นปีหนึ่งพรรษาพอดีพ่อเสียก่อนจะเข้าพรรษาก็เลยไม่ได้กลับไปบ้านตา อยู่ที่นั่นจนออกพรรษาพอรับท่ากระถิ่นเสร็จก็มาวัดยาต่อมาอยู่วัดยาตั้งปีสองเจ็ดปลายปีสองเจ็ดกระถิ่นรับรับกรถินเสร็จรับพุทจิกาก็มาอยู่วัดยานนตั้งแต่ปลายปีสองเจ็ดจนถึงบัด น, นี้สองเจ็ดนี่หกศูนย์เกือบสามสิบสามปีแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้ก็ครบสามสิบสามปี คือการเดินทางเข้าสู่ความสงบไม่ไปทางอื่นเลยพอรู้แล้วว่ า, าความสุขอยู่ที่ไหนจะไปหาความทุกข์ทำไมมันผ่านมาหมดแล้วเมืองนอกมึงนานก็ไปมาแล้วก็อยากไปก็ดิ้นไปนะดิ้นไปแล้วก็ไปทรมานอยู่เกือบห้าปีไปทางานไปเรียนหนังสื อ, อไปอไปมันก็คิดว่าเพื่อความสุข คิดว่าเรียนจบแล้วจะสุขจะสบายเวลาจบว่ก็รู้สึกเบาออกเบาใจเราจบแล้วก็มาหนักของหนักใจกับการหางานหนึ่งเลยพอพอได้งานมันก็ต้องมาหนักกับการทํา ง, งานนี้แล้วก็มากังวลว่างานมันจะไปได้ถึงไหนจะอยู่ไดตลอดหรือเปล่าแล้กวก็าอาจจะต้องออกต้องเปลี่ยนงานอีกอะไรมั น, ไ, นไม่มีความสุขเลย ไอเราถูกคิดคิดว่เาเรียนจบแล้วจะสุขจะสบายมีงานทำมีเงินใช้เที่ยวแต่มันก็มีปัญหามีเรื่องใี้แล้วต่างๆในแต่ละวันให้มาคบคิดมาแก้อยู่เรื่อยพอเราจบมาก็เลยลอกพักก่อนจะขอตั้งหลักจะดูทิศทางว่าจะไปไหนเรียนจบมา เป็นจบมาขอไปเที่ยวกันไปเที่ยวโยุโรปอยู่เดือนแบกเป้ไปนอนบนรถไปตีตัวนอนตีตัวเดือนไปประมาณสักสิบประเทศไปอยู่ตามโรงแรงนักเรียนเนี่ยคืนละเหรียญสมัยนั้นค่าค่าโรางแรมค่าที่พักคืนละเหรียญใช้เงินวันไม่เกินห้าเหรียญอาหารสามมื้อ มือเหรียญสามเหรียญค่าที่พักเหรียญสี่เหรียญอีกเหรียญหนึ่งไว้ใช้ค่าใช้ใจ่ายอย่าหนึ่งประมาณนั้นใช้เวลาห้าเหรียญเที่ยวอยู่เดือนก็เบื่อเหนื่อยนอนบนรถไฟก็นอนไม่ค่อยหลับสําหรับๆตืนๆ่นๆเพียไปถึงก็ไปถ่ายรูปก็แก้เพื่อแก้เสร็จแล้วก็ไปต่อ <laughs> พกลับมาถึงบ้านก็ตอนนี้เราขอพักผ่อนขอเป็นฝลั่งกลับมาเที่ยวพัทยาต่อเที่ยวอยู่หลายเดือนพักผ่อนแล้วค่อยหางานหางานที่เรียนไม่ไม่ได้มันได้แต่มันต้องอยู่ไกลบ้านต้องไปอยู่กรุงเทพต้องไปเช่าบ้านต้องอะไรเงินเดือนที่ได้ก็หมดไปกับค่าใช้จ่าย อะไรไม่เอาเอางานที่ใกล้บ้านดีกว่าเงินเดือนพอๆกันแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากก็เลได้เป็นผู้จัดการร้านขายถิ่นแถวพิยาใต้นะี่นก็ในช่วงที่ทํางานนั้นก็มีเวลาว่างเวลาอ่านหนังสือหาหนังสือมาอ่านก็เลยได้พบ ก, กับเนี่ยได้ได้พบกับหนังสือของพระพุทธศาสนาเลยรู้จักวิธีนั่งสมาธิ อ่านปั๊ก็นั่งเลยก็ยังไม่นั่งอ่านอยู่เดือนสองเดือนแ ล, แล้ววันหนึ่งมันก็ถามตัวเองอ่านมันต้องสองเดือนแล้วยังไม่แน้นั่งสักทีก็เลยนั่งตรงนั้นเลยนั่งก็ตามที่อ่านเนี่ยให้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกเขานั่งไปตอนต้นก็นได้บ้างไม่ได้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างอาจจะนั่งไปนั่งแล้วเจอความเจ็บขึ้นมาเนี่ย แล้วมันไม่ยอมลูกเนะี่ยมันก็เลยไม่ไรู้ไงมันก็เลยใช้คําบริกรรมอันนี้จังอันนี้จังอนนี้จังไปเหลือเดียวมันความเจ็บมันหายไปใจสงบขึ้นมาแปกใจเอ้ยทาไมเมื่อกี้ทรมานแต่พอบริกรรมอยู่พักหนึงไงความเจ็บหายไปใจสงบเย็นสบายในความสุดเอในตัวเราเมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ เ, เพราะคําบริกรรมนี้ มันก็เลยดูวิธีนั่งแะ้วรูวิธีต่อบทุกความเจ็บนะมันก็เลยนั่งไปเรื่อยๆปันวันหนึงไม่ทําอะไรนั่งเดินถ้าไม่นั่งก็เดินจงกรมไม่เดินจงกรมก็อ่านหนังสืออ่านสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรจะเป็นเหมือนกับเป็นแผนที่เป็นคู่มือของการปฏิบัติสามวิธีจเจริญสติสามวิธีนั่งสมาธิสาวิธีพิจารณาปัญญา ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจทำให้ใจว่างทำให้ใจสงบอย่างเดียวมันชัดเจนเมื่อกาอ่านหนังสือแล้วเข้าใจหมดเพียงแต่ว่าเรายังปฏิบัติไม่ถึงขีดเนั้นเองแต่พอไปบวชแล้วไปอยู่กับหลวงตาเนี่ยไปเห็นท่านปฏิบัติแบบสุดๆเลยถึงอย่างว่าอ ขนาดที่เราปฏิบัตินี่มันยังยังได้แค่เซี่ยวเดียวแล้นยังไม่เคยอดอาหารพอไ่อยู่บ้านตากได้อดอาหารอดอาหารแล้วนี่มันทำให้จิตยิ่งสงบนั่งสมาธินี่จิตมันเด่งง่ายมันก็เลยอดเพราะเวลาไม่ออดมันขี้เกียจกินอิ่มแล้วมันง่วงมันอยากจะหาหมอนแต่ถ้ามันอดแล้วมันไม่ง่วง เดินจงกมนั่งสมาธิมันต้องมันต้องนั่งถ้าไม่นั่งมันหิวมันทรมานพอเวลาอดนี่มันจะคิดแต่อาหารมันเห็นผ้าอาหารชนิดต่างๆวนมาวนมาเ ว, วียนมาอยู่ที่เรืออ่อยเลต้องใช้นั่งสมาธิดูลมหายใจทำใจให้สงบพอใจสงบความหิวก็าหายไปความหิวส่วนใหญ่เกิดจากความคิดของเราเอง คิดถึงอาหารคิดถึงอะไรมันก็หิวเนี่ยกินอิมอิม่มลองลองไปคิดถึงอาหารขนมดูมันก็อยากจะกินขึ้นมาไปอยู่ที่นั่นเขาก็จะสอนวิธีแก้ให้นั่งสมาธิจเจริญสติหรือถ้าจะคิดให้คิดถึงตอนที่อาหารมันเข้าไปในปากคายมันออกมาดูที่มันน่ากินนะเกลียวดูก่อนจะกินคายออกมาก่อนตรวจสอบหน้าตามันก่อนแล้วค่อยตักเข้าไปกินใหม่ค่อยเข้าไปกินเนี่ย มันจะกินไม่ลงต่อไปมันจะไม่อยากกินต่อไปเวลาคิดถึงอาหารก็คิดถึงอาหารที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องออยู่ในลําไส้คิดถึงสภาพของอาหารเหล่านั้นมันหายหิวเลยนั่นแหะปัญญามันก็เลยทําให้อ่ออาหารแล้วไม่รู้สึกหิวไม่ทรมานแล้วก็ไม่ง่วงนอนไม่ขี้เกียจ เดิจนจงกรมตัวเบานั่งสมาธิตัวแข็งทื่อเลยไม่งอกไม่หิดไม่งอจิตก็กนิ่งสงบสบายออกมาก็พิจารณาทางปัญญาพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณาอสุภะพิจารณาอาการสาสิบสองพิจารณาเกิดแก่จิตตายมันก็เห็นชัดเห็นชัดว่าร่างกายมั น, มนแค่ดินน้ำลมไฟแค่อาการสาสิบสอง มันก็ปล่อยวางปล่อยวางปฏิบัติไปเนื้อจิตก็ฉลาดขึ้นวางขึ้นเริ่มเกาที่ถูกเมื่อก่อนไปเกาที่ผิดนี้เกาที่ใจอย่างเดียวเกาด้วยสติเกาด้วยปัญญาเกาด้วยสมาธิเจ็บมันก็หายคันเจ็บมันสงบแล้วก็หายคันมีความสุข ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปไหนเราไปอยู่บ้านตานี่เราลาท่านออกมาเยี่ยมบ้านสองครั้งนะในระยะเวลาแปดปีครึ่งเพราะห้าปีแรกท่านห้ามไม่ให้ไปไหนนอกจากมีธุระฉุกเฉินพ่อแม่ตายหรือพ่อแม่ไม่สบายหรืออะไรทํางนองนั่นแต่จะมาขอลาไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่นนนไป กาพ้าอาจารย์ที่นู่นที่นี่ท่านไม่ให้ไปท่านให้ขังตัวเองอยู่ในว่าห้าปีถ้าจะอยู่กนถ้าไปก็ไม่ต้องกลับถ้ายังอยู่ไม่ค็ห้าปีไปก็ไม่ต้องกลับอันนี้ไปแล้วเนี่ยก็มันก็ถูกหรอกให้ไปกลาที่ข้างนอกไม่ให้เก่าที่ข้างในอยู่ที่ว่าท่านท่านยังไม่ให้ออกไปบินธบานไม่ไม่ให้ออกไปรับขินิมนต์ เอาไปรับกลิ่นนิมนก็เดี๋ยวก็ไปไ ป, ไปกล่าวไปที่ข้างนอกอีกไปบ้านโยมโยมก็แต่งแต่งตัวสวยๆงามๆกลับกล้งกับค่าอาหา ร, อ, าหา ร, อ, รอร่อยๆมาถวายเดี๋ยวมันก็ไปติดนั่นไงกลับมาวัดใจมันก็ยังอยู่ที่บ้านโยมเนึ่งกว่าจะดึงมันกลับมาวัดได้นี่เหนื่อยกายกลับมาแล้วแต่ใจยังไม่ยอมกลับเวลาเอาไปกิน่นนิมนต์เนี่ยใจมันไปแล้วมันมันไม่ยอมกลับง่ายๆ นะร่งกายจะกลับมาแล้วแต่ใจมันก็ยังคิดถึงข้างนอกอยู่ท่านเห็นโทษของการรับกิจนิมนต์ของพระที่ยังไม่มีไม่มีธรรมไม่มีกําลังที่จะควบคุมจิตใจท่านจึงไม่ไม่ให้ไม่รับกิจนิมนต์ที่วัดท่านนี่ทาไม่ให้กิจนิมนต์นอกจากกิจของชาวบ้านคนตายนี่ก็ต้องไปไปไปเผาศพเขาเนี่ยอะไรไปไปสวดศพเขา อันนั้นไปมันก็เป็นธารมพ่อไปเห็นศพเนี่ยศพเจ้าบ้านเขาก็ไม่มีไม่มีโรงเขาทำโรงด้วยไงทำไม้แล้วก็เอากระดาษมาปะไว้ไม่มีฝ้าเวลาไปพิจารณาศพก็เห็นนอนอยู่แข็งทื่ออันนั้นไปแบบนั้นท่านไปเพราะไปแบบนั้นจิตมันไม่มันมันกลับ ท, ทันทีเวลากลับมาวัดมันไม่อยู่ที่นั่น ท่านไม่ให้รับกินนิามนตนถ้ามีความจะเป็นจะต้องรับท่านรับองค์เดียวมียาโยมคนหนึ่งจะมานิมนต์ท่านกับพระก้ารูกไปที่วัดไปมืที่บ้านเขาท่านก็เกรงใจเขาท่านก็บอกเอาเลือกเอาก็แล้วกันถ้าจะเอาพระก้าองค์ก็เราไม่ไปถ้าจะเอาเราไปก็เอาเราไปองค์เดียว เขาก็เลยเอาท่านไปองเดียวแ้วท่านก็ไปเขาก็ไปหาพระที่อื่นอีกท่านรักษาพระมากท่านห่วงพระมากท่านห่วงพระถ้าไม่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์แบบนี้มันมันก็มันไม่ได้ช่วยครูบาอาจารย์องค์ก็เกรงใจโยมมากกว่าเกรงใจทำก็เอาอยากโยมนิมนต์กลับไปสั่งให้พระไปพระก็อยากจะออกอยแล้ว อ, อาจารย์ไฟเขียวก็ไปกันเลย ไปแล้วมันก็ไม่ใช่ไปงานเดียวเนี้ยพราะคนนี้นิมนต์เดี๋ยวคนนั้นก็นิมนต์ต่อเดี๋ยวมันกิ่นนิมนต์ยาวเป็นคิวเลยบางทีไปวัด น, นี้ไม่มีพระอยู่เลยพระไปน็นนิมนต์หมดแล้วถ้าก็อยู่กันไม่รอดอยู่กันไม่กี่นมันสาก็สึกกันเศ็กกันไปเพราะไม่ได้ปฏิบัติสู้สู้กิเลสไม่ละกิเลสมันลากออกไปนอกวัดต่อไม่ละ พอกลับมาวัดก็มีแต่ร่างกายที่อยู่ในวัดแต่ใจมันยังอยู่ที่นอกวัดอยู่ันที่สุดมันก็ต้องเสร็จไปนี่ถึงบอกว่าถ้าได้บวชแล้วได้ไปอยู่กับผู้บาอาจารย์ที่ท่านเข้มข้นที่ท่านได้ผ่านมาแล้วท่านรู้รู้คุณรู้โทษของวิธีการต่างๆแล้วไปอยู่กับท่านนี้ท่านจะช่วยเราได้มากนั่นแหละคือ แล้วก็ต้องไปอยู่วัดที่ไม่ค่อยมีคนเข้าคนเข้าเยอะมันก็เรื่องมากนั่นไปใหม่ๆคนยังไม่ค่อยรู้จักหลวงตาทเท่าไหร่กอะไรไม่ค่อยมีคนอยู่เงียบๆสบายๆวันธรรมดานี่ยบางทีไม่มีญาติโยมมาเลยบินตลาดเสจกลับมาก็ฉันกันปุ๊บปั๊บก็เสร็จแต่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีญาติโยมสั่ในเมืองมากันขับรถมากันมาใส่บาตคนมาจากกรุงเทพบ้างมาบ้าง แต่ก็ไม่มากพออยู่ไปช่วงที่ออกมาได้เริ่มมากแล้วก็คนเริ่มรู้จักท่านมากขึ้นมากขึ้นในหลวงก็เสด็จไปวัดท่านคนก็เลยเริ่มรู้จักท่านมากขึ้นมากขึ้นก็อพอดีโชคดีแล้วออกมาออกมาแล้วเราก็ไม่อยากจะกลับไปมาอยู่ที่นี่ดีกว่าเงียบไม่มีใครเลยอยู่แบบไม่มีใครรู้จักสบาย อันนี้น่าคนน่ารู้จักนะไม่สบายนะอันนี้เป็นเหมือนกับนักโทษแนะไปไหนก็เจออยู่ที่ไหนก็เจอเราจะทำอะไรก็ถูกเบรกถูกเบรกพอญาติโยมมาเจอก็ต้องกราบแนละ้วกำลังจะเดินก็ต้องหยุดเดินแนะก็จะกราบเนะี่ยกำลังจะทําอะไรก็จะถวายของนะนกลายเป็นนักโทษไปเลยจะทําอะไรเหมือนกับติดขัดไปหมด ทีอยู่ที่สาลากว่านจะกลับกุฏิได้โอ้โหมนุถ่านมนุมากี่ดา่านธรรมาทําท่าจะกลับอาไมาแล้วถ้าไม่ตอนนับเขาก็หาว่าหยิงหาว่าไม่เมตตายน แ, แต่เรามันจะรีบกลับไปกุฏิไปทำกิจไปพักผ่อนว่เาเดี๋ยวบ่ายกันต้องมาออกมาอีกรอบเลยมันก็เลยเดี๋ยวนี้เหนื่อย ถามสิถ้าในกรณีที่ความเจ็บปวดแล้วไปทนาน้นก้ามากค่ะอาารยาเราไม่สามารถภาวนาให้จิตมาลงได้เลยค่ะเราอาศัยคันติประคองให้มันผ่านไปได้ได้ไม่ต้องให้มันลงให้เราอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บก็แล้วกันอยู่กับมันไปดูมันไปอาคะแต่บางทีมันบังคับไม่ได้ว่ามันหายเจ็บก็ต้องพุดโธรไปพุดโธไป แม้กระทั่งพูดคุก็บริกรรมไม่ไหวนะอาะอาศัยว่าเผชิญหน้ากับมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันผ่านไปน ไ, <ด>นไปอย่างนี้<ด>ถือว่าได้ได้ถ้าผ่านนับผ่านไปได้ก็โอเคถ้าอย่าไปร้องโวยวายอย่าไปทุกข์ทรมานอะไรพยายามทําใจให้นิ่งใช้ขันติก็ได้ใช้อดทนไปพยายามอยู่กับมันไปข้อสัญญาอยาบอย่าไปอยากให้มันหาย อย่าไปอยากหนีจากมันต้องใจว่ามันเหมือนฝนตกเนี่ยต้องอยู่กับมันไปเราห้ามฝนไม่ได้ฝนมันจะตกก็ต้องปล่อยมันตกไปเราทาใจอยู่กับฝนไปอยู่กับความเจ็บไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้ที่มารับรู้ความเจ็บของร่างกายเท่านั้นเองก็รับรู้ไปอา ค, คะแต่ทอนในสภาวา่าจริงๆค่ะคือพอ ถ้าตัดสินใจมันไม่ยากมากหรือยากแค่พอประมาณนะคะมันทําเหมือนที่่าอาจารย์บอกได้แต่พอมันไปเจอสถานการณ์จริงท่านาจะมันทั้งร้องไห้อะไรเพียงแต่ว่าก็พยายามดื้ถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนนะคะก็คือพยายามประคองมันให้ทนเป็นยี่สีชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแต่พอมันไปเจอตรงนั้นนี่จริงท่านอาจารย์ค่ะบามันมันแทบจะไม่ไหวนะคะทัดแยกกายเลยทัดแยกกายว่ากายคืออะไรกายก็คืออาการ32มสิบแต่อาการนี่มันมีความรู้สึกหรือเปล่า หนังมันรู้สึกหรเปล่าแขนข้าก็ดูกมันรู้สึกหรเปล่ามันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเองมันไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บปวดในร่างกายมันไม่เดือดร้อนเหมือนคนตายเวลาเอาไปเผาร่างกายมันสะดุ้มมันอะไรไหมมันไม่อไอ้ที่มันดิ้นมันไม่ใช่ร่างกายมันใจที่ไปหลงคิดว่ามันเป็นร่างกายเราก็ต้องแยกมันออกมารู้ว่าให้รู้ว่าเนี่ยร่างกายมันเป็นเหมือนเนี่ยสาต้นเนี้ย คนใจนี่เป็นเหมือนคนดูเสา อ, อยู่เนี่ยคนรู้เป้าดูเสาใจดูร่างกายใจเป็นผู้รู้<ม>ก็ให้มันดูไปไม่ต้องไปหวั่นไหวกับอาการเป็นไปของร่างกายมันจะเป็นไงก็ให้มอนปล่อยให้มันเป็นไปไอเราคือใจเป็นผู้รู้ก็รู้ไปอย่าไปคิดให้มันให้มันทรมานใจด้วยการอยากให้มันหายโอ้ยทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้อ ย, อยาอย่าไปคิดอย่าไปอยาก การค่แล้วอันไหนจะดีกว่ากันระหว่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าพิจารณาแล้วปล่อยวางกับการที่เราหลบโดยใช้คําบริกรรมหรือพยายามแบบหลบโดยใช้สมถะหลบให้การนัอ๋นะอถ้าใช้ปัญญาได้มันดีกว่าแน่นอนพอใช้แล้วต่อไปมันจะไม่มีความกลัวความเจ็บแล้ะมันจะเฉยๆกับความเจ็บจะเจ็บดูในขนาดนั้นมันก็สักแต่ว่ารู้ไปแต่บางทีมันไม่มีกําลังก็ต้องใช้คําบริกรรมช่วยอให้รู้ว่าเราบริกรรมเพื่อ ให้ใจมันสักแต่ว่ารู้แต่ไม่ได้หนีความเจ็บเพราะความเจ็บเราหนีมันไม่ได้มันเป็นเหมือนกับเงาตามตัวเราเราอย่าไปกลัวความเจ็บเราอย่าไปอยากหนีจากความเจ็บเราต้องสู้กับความเจ็บต้องอยู่กับความเจ็บให้ได้หาวิธีอยู่กับมันเหมือนกันอยู่กับคนที่เราไม่ชอบที่หน้าอย่างเงี้ยนคนที่เราไม่ชอบที่หน้านี้เขาไม่ได้ทำะไรเราเลยมันยังทาให้ใจเราทรมานเลยใช่ไม แต่เราสามารถทำให้ใจเราไม่ทรมานได้ด้วยการหัดชอบเขาสิพอชอบเขาก็าอยู่ด้วยกันได้เนี่ยว่ะใช่ัหมไอ้ที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่ชอบเขาใช่ไหเบื่อเกลียดขี้หน้านพอเห็นหน้าก็ใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนใจเราหัดไปชอบเขาสิหรือทำใจฉฉฉเฉยๆเรื่องของเขาเขาทาอะไรก็จะเป็นอะไรก็เรื่องของเข า, ขเขาในเมื่อต้องอยู่ด้วยกันเหมือนแฝดสยามนี่ถ้ามันอยู่ติดกันจะทำไง เนี่ยร่างกายกับใจมันก็เหมือนแฝดสยามเราแยกก็ไม่ได้แต่เราสามารถสามารถสอนใจให้เราอยู่กับร่างกายได้อย่างสบายร่างกายมันอยู่กับเราได้เพราะร่างกายมันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีการรับรู้อะไรเราสั่งให้มันทำแล้วมันก็ทำตามที่เราสั่งทุกอย่างนอกจากมันทําไม่ไหวมันก็ไม่ทําท่านั้นเองแต่เรามันเป็นตัวที่ไม่ยอมไม่อยากจะอยู่กับมันละตามเวลามันดีก็อยากจะอยู่กับมันใช่ไ เวลาดีนี่ไม่อยากจะตายเพราอพอมันไม่ดีนี่อยากจะฆ่ามันซะหนิอยากจะฆ่าตัวตายนะเนี่ยความอยากนี่มันทําให้เราทรมานใจเราอย่าไปอยากอย่าไปอย่าไปหนีมันอย่าไปดึงมันไว้ถ้ามันจะไปก็ให้มันไปะถ้ามันยังจะอยู่ก็อย่าไปผักมันให้มันไปอยู่ก็มันไปด้วยการทําใจให้เฉยๆพุทโธพุทโธช่วยไปได้บริกรรมไปสวดมนต์ไป ต้องทำสองอย่างต้องมีสติต้องมีปัญญาด้วยมันถึงจะสา ม, มารถทําได้พอรู้แล้วว่าเออเราเป็นผู้รู้เราไม่ได้เป็นร่างกายเวทนานี้มันต้องเป็นของมันอย่างนี้เราห้ามมันไม่ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้วิธีจะอยู่กับมันให้ได้ก็ต้องทําใจให้เราเฉยวิธีจะเฉยได้ก็ต้องพุทโธพุทโธไปบริกรรมไปสดนวดมนต์ไป ไม่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องของร่างกายไปมันจะเจ็บจะปวดยังไงจะเป็นจะตายยังไงก็เรื่องของมันแต่ในเมื่อเรายังต้องอยู่กับมันเราก็ต้องพยายามทําใจให้เราเฉยๆกับมันให้ได้พอเราทําใจเฉยได้เราก็จะสบายเบา อ, อกเบาใจความเจ็บก็ยังมีอยู่แต่มันมันไม่เจ็บมากเพราะความเจ็บส่วนใหญ่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความทุกข์ที่อยากจะให้ความเจ็บมันหายไป เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทําให้เราได้ได้ธรรมะนะถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติได้มนุษยธรรมเนี่ยเพ่อพระพุทธเจ้าวันนุ๊กเจ็ดวันก่อนตายมีพระพุทธเจ้าไปเนาะไปสอนข้างเตียงตลอดเวลาสอนเนื้อวิธีทําใจพอมีคนแนะนําก็ทําได้ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นนะคะมันทุกข์มากจนแทบจะอันายจะกระโดดหน้าต่างออมันไม่มันไม่มีสติสตางค์นะแต่พอมันคนทุกข์นั่นมาใจมันก็เหมือนกับ เอาลถ้าจะทำประมาทก็อ่ใช่สบายแล้วเนี่ยพอสบายแล้วก็เอขี้เกียจนะเปะ็นปัญญาต้องคอยแยกใจออกจากร่างกายอยู่เรื่ยอยๆใจนี้เป็นเหมือนหมอร่างกายเป็นเหมือนคนไข้หมอก็ดูคนไข้ไปคนไข้จะเจ็บยังไงหมอไม่ได้เจ็บด้วยเปลี่ยงแต่หมอรับรู้ความเจ็บเท่านั้นเองแล้วหมอไม่ชอบรับรู้ความเจ็บก็เลยทําให้หมอทุกข์ด้วยแต่ความจริงหมอไม่ได้เจ็บหรอก ใจไม่ได้เจ็บเป็นแต่ใจไปรับรู้ความเจ็บของร่างกายแล้วไม่ชอบความเจ็บนั้นก็เลยอยากจะให้มันหายพออยากมันก็เลยทุกข์ที่ใจขึ้นมาความทุกข์ที่ใจนี่เจ็บมากกว่าความความเจ็บที่ร่างกาย<ช>นะพอเราอยู่ความทุกข์ที่ใจได้ความเจ็บที่ร่างกายนี้จะแสนสาหัสขนาดไหนเราก็อยู่กับมันได้พอใจสงบแล้วไม่ได้สงบแบบไม่ได้เข้าสมาธินะสงบแบบปัญญา มันก็อยู่กับมันได้เฉยๆสบายเวลาเจ็บเนี่ยเป็นเวลาโอกาสทองทุกบ่มีปัญญาบอกเกิดปงเราต้องเจ็บต้องทุกข์ต้องมีปัญหามันถึงจะปัญจะใช้เอาปัญญามาแก้ได้ปัญญาที่เราพิจารณาตอนที่ไม่ทุกข์นั้นเป็นการทำการบ้านเป็นการทาเตรียมตัวให้ตอนนี้เราไม่เจ็บแล้วก็พิจารณากันว่าร่างกายไม่ใช่เราเนะเราเป็นผู้รู้นะ กามเจ็บนี่ก็ไม่ใช่เรามันเป็นของร่างกายมันอยู่กับร่างกายร่างกายเป็นต mm ัวเจ็บเราไม่ได้เจ็บตอนนี้เราซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาเจ็บจริงๆก็ต้องทําให้ได้ทําตามที่เราคิดให้ได้ถ้าทําได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ตอนน้นเนี่เวลามันทุกข์มากๆเน่ยม้จะทําไงฮะอาจารยก็เปิดเสียงท่าอาจารย์แล้วมันเหมือนทํำใจให้หลบนะคะคือแบบใช้ไม่ไปคิดถึงมันไม่ไปคิดถึงมันอันนี้ก็ช่วยได้ บันเทาได้ไปชั่วคร า, าวอุบายของสมาธิพอมาเจอหน้ามันอีกก็ทุกข์อีกเพราะยัง<อ>เกลียดมันอยู่ดัง<อ> น, นเราต้องเปลี่ยนใจเราอยากไปเกลียดมันความชังของเราเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราอยากหนีอยากมันไปถ้าเราไม่ชังแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้อยู่กับเฉยๆได้อพอยอมรับว่าเราหนีมันไม่พ้นมันมันเป็นเหมือนเราเป็นแฝดสยามอยู่ด้วยกันมาต้องอยู่ด้วยกัน หัดอยู่กับมันไปหัดอยู่กับความเจ็บไปแล้วมันก็จะดต่อไปมันก็จะไม่ทรมานเพร า, าะมันเหมือนกับกายเป็นดานแรกที่เราต้องผ่านไปให้ได้ใช่ไหมกายกับเวทนาเนี่ยมันเป็นด่านที่ต้องผ่านไปก่อนที่จะเข้าไปที่จิตอีกทีแล้วตอนนี้จะอนุโมทนาให้พรก่อนแล้วเดี๋ยวใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ ยะถาวะริกวะหาปุราปาริกปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตตินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏทิตางตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกภาจันโทปนะระสโยยะถามณิโชติ ทาราสุยัตสัพพิติโยวิวชัชฌานตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีทีขายุโกภะอภิวานัสสิลิจนะนิจังุทธาปจายโนจตารธูธรร ม, มาวาทานติอายุวโนสุขัง พอล่างวันนี้ทางเฟซบุ๊กกำมาเท่าไหร่อันนี้สูงสุด410อ่าขึ้นถึง4แล้วเหรอวันแรกมั้งนีเพราะว่ายู u b e มีปัญหาชื่นหายใช่ไหม อ, อ, อันนี้416 6 4 46, YouTube แต่เฟซบุ๊กนี่ไม่ไม่มีปัญหาเลยถ่ายทอดตลอดช็อตเดียวตลอดเลยไม่มีการต่อ ไม่ขาดไม่หลุดเลยนะดีนะนที่ตอนนีบครบปีนึ่ง น, นะครับครบปีเหรออันนี้เหรอครับครบปีวิสาขาหนึ่งปีนีถ่ายทอดสดหนึ่งปีแล้วธรรมะบนเขาสี่ปีแล้วมั้เริ่มช่วงวิสาขาเหมือนกันนะวิสาขาปหาีห้าหนะ้าหกถ่ายทอดสดก็ห้าเก้าห้าเก้าปีนี้หกศูน มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีจะให้คนทางบ้านเขาถามนะฟังไปนะถ้าอยากจะฟังก็ฟังไปถ้าไม่อยากจะฟังอยากจะกลับบ้านก็กลับได้ไม่ได้บังคับอ่ถามคําถามเข้ามาคําถา ม, ถา ม, ถามทาง youtube จากคนดีๆคะ่ะ ธาตุวิญน้ำลมไฟอากาศยินญาณนิพพานมีใครสร้างหรือเปล่าครับมันไม่รู้จะตอบยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะมันไม่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่ามีใครสร้างมันก็มีของมันอยู่นี่มาตั้งแต่นั่งเดิมเนี่ยถ้าทั้งหงนี่มันก็มีอยู่ของมันอยู่ของมันไม่ต้องมีคนสร้างใครจะมาสร้างไว้ของใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เี่ย ไม่มีใครสร้างหรอกธรรมชาติเป็นผู้สร้างธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟอากาศสาัตว์ญญธญรมยานั่นแหมันเนี่ยเป็นตัวมาผสมกันแล้วก็มาทําให้เกิดโลกเกิดดวงดาวเกิดอะไรต่างๆเกิดมนุษย์เกิดสัตว์เกิดต้นไม้เกิดภูเขาใบหรญร้าต่างๆจะเรียกว่าถ้าจะเรียกว่าพระเจ้าก็คือธรรมชาตินี่คือพระเจ้า <c oughs> ไม่ไม่ไมีไม่ใช่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีตัวตนเหมือนพวกเราที่จำนั่งว่า มาปรุงตรงนั้นมาแต่งตรงนี้มันไม่ได้เป็นมันก็เป็นไปตาม <c oughs> ตามเหตุตามปัจจัยมันมาเจอกันมันก็ทำให้เกิดเป็นอะไรกันขึ้นมาคำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณนันทนาได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่มักคือทางดำเนินให้ถึงให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมัก8ตใช่ไหมคะมีสีลห้าสีลแปดไม่เห็นมีสีลสองรอยสิบเจ็ดเลยคะ่ะ ทำไมพระถึงมีศีลมากกว่าคารวะคะในเมื่อปฏิบัติมักแตเหมือนกันอ่เพราะว่าพระนี่เป็นผู้ที่ต้องมีความเรียบร้อยมากกว่าคารวาเพราะว่าพระอาศัยคารวะาเป็นผู้เลี้ยงดูถ้าไม่เรียบร้อยเป็นลิงคารวะาก็ไม่มีศรัทธาจะเลี้ยงดูก็เลยต้องมีความเรียบร้อยหน้าเรื่มใสเห็นแล้วมีความขา่ารล พรา ก, ก็เลยต้องเรียบร้อยปความยิงศีลเท่ากันนะ่ะศีลห้าเหมือนกันศนะีลใหญ่ๆของพระมีแค่ศีลสเท่านั้นนะ่ะ mm hmm. คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ามนุษย์ mm hmm. ไม่ลักทรัพย์ไม่โกหกก็คือไม่ปวดปุดตริความวิเศษในตนที่ไม่มีแล้วก็ไม่ร่วมหลักนอนกับใข่นีก็มีศีลหลักๆ4ข้อเท่านั้นที่เป็นศีลของพระถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าไม่เป็นภรนะแล้วตัด ตัดออกจากการเป็นพระเลยจะมีคนรู้แร้วไม่รู้ก็ตามแต่เจ้าตัวรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นพระนะอย่างพระที่ไปแอบนอนกับศีกาแล้วยังมาเป็นพระอยู่เนี่ยตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นพระแล้วนะถึงแม้ว่าญาติโยมจะไม่รู้ก็ตามไม่มีใครถ่ายวีดีโอมายืนยันก็ตามแต่ตัวเองคู่กระทําเนี่ยรู้อยู่ในใจกับตอนแล้วว่าตอนเองไม่ได้เป็นพรนะแล้วขาดจากความเป็นพระนสิลหลักๆสินใหญ่ของพระก็มีแค่สีข้อ ดังนั้นก็เป็นกฎระเบียบเพื่อป้องกันไม่ให้พระมาทำอะไรที่มันไม่น่าดูไม่ให้นั่งเกี่ยวนั่งอยู่สองต่อสองกับสีกาไม่ให้พูดเกี้ยวพาลาสีกันอะไรทำนองพูดเรื่องสัปปรดตนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเรียบร้อยของผู้ผู้เป็นนักบวชพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ไงท่านรู้ว่าผู้ที่ สูงนี่เขามีมารยาทอย่างไรทําอะไรกันอย่างไรท่านก็เลยเอาเอามารยาทของกษัตริย์เนี่ยมาสอนพระให้พระอยู่เป็นเหมือนกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์เนียให้มีความเรียบร้อยในทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านทุกทุกมุมแล้วก็ที่มันมีมากขึ้นก็เพราะว่าบางทีพระไปทําอะไรที่ชาวบ้านเขาไม่ชอบเขาก็มาฟ้องพ้าพุทธเจ้าข้า พ, พุทธเจ้ามาไตาส่สวนพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเออมันไม่น่าทํานะก็เลยสั่งห้าม ตอนต้นพระไม่ค่าไม่มีศีลเลยพระยุคใหม่ๆแรกๆนี่มีพาาาระอรหันต์ทั้งนั้นเนี่ยมาบวชก็เป็นพาาาระอรหันต์ทั้งนั้นก็เลยไม่มีต้องไ ม, ไม่มีศีลเนีย่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้กําหนดศีลหน่อยใ ห, ให้ให้กับพระเพราะพระเป็นพาาาระอรหันต์นี่เขามีศีลในตัวเขาอยู่แล้วเขารู้ว่าอะไรผิดถูกดีชั่วของเขาอยู่แล้วแต่ต่อมาพวกที่ไม่ได้เป็นพาาาระอรหันต์มาศรัทธามาบวชตามมาบวชแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพระต้องทํำยังไง มีชายคนหนึ่งมาบวชแล้วแต่เคยมีเมียมาก่อนแล้วก็พ่อแม่ก็มีลูกชายคนเดียวนี่มีสมบัติไม่รู้จะให้ใครต่อไปก็เลยบอกให้เมียมานอนกับพระสักคืนหนึ่งมาทำหลานให้หน่อย <c oughs> เพื่อจะได้เวลามีหลานแล้วต่อไปพ่อแม่พ่อแม่ของพระตายไปก็จะได้มีผู้รับมรดกพระก็ไม่รู้ว่าทำไม่ได้ก็ทำนอนกับเมียเพราะเคยเป็นเมียเป็นผัวกันมาก่อน ก็เลยนอนกันเพื่อผลิตหลานให้พ่อแม่เท่านั้นเองนี้พอทําแล้วก็ไม่สบายใจก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าทํานี้ทําได้หรือเปล่าพระเจ้าบอกทําไม่ได้เป็นนักบวชอย่าทําอย่างนี้ก็เลยตั้งข้อห้ามขึ้นมาข้อแรกห้ามหลับนอนกับสีกาเเออแล้วต่อมาก็มีทําผิดทําผิดกันเรื่อยๆแล้วพอทําผิดก็มาเรียกวัพุทธเจ้าฟังพระเจ้าก็มาพิจารณาว่าควรไม่ควรก็ห้ามไปเรื่อยๆอยาก ข้อที่หนึ่งจนถึงสองรอยยี่สเจ็ดเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถึงวันนี้มันจะมีมากกว่าสองอยี่เจ็ดเด็กใช่ไมเนี่ยเรื่องที่ญาติโยไมไปฟังวระพุทเจ้านี่บรรลุจะขนาดไหนเนี่ยห้ามเป็นมั่วกันในโรงลรมม้าูดอย่ี้ยห้ามเข้าโรงลรมม้ารูดอย่างเงี้ยใ่มันมันมีเยอะแยะไปหมดเพียงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นคนบอกว่าควรไม่ควรเอมหาเถระสมาคมก็ไม่มีน้ำยา แล้ไม่มีใครศรัทธาใช่ไหมตังกดไปก็เขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะตัวเองตั้งแล้วตัวเองก็ไม่ทําช่ไองเงี้ยใช่ไหยก็เลยไม่ไม่เลยต้องและไม่มีศีลมากกว่านี้แต่ถ้าทุกวันนถ้ามีรับรองนะต้องมีมากกว่านี้ต้องห้ามรถเบนท์ห้ามเฮกห้ามขึ้นเครื่องบินห้ามอะไรต้องมีเยอะแยะไปหมดแต่ทีนี้มันไม่มีพระเจ้าแล้วก็เลยเอาแค่สองร้ยยบเจ็ด ถ้ามีถึงถ้าพระเจ้าอยู่ถึงวันนี้มันจะเป็นสองพันกว่าแล้วนะโอ้กว่าจะมาทบทวนศีนของพระแต่และ ว, วันนี่เหนื่อยกร <c oughs> ะจายองะทาไมพระถึงต้องมีสีนเยอะเพราะว่าผู้ที่มาบวชนี่บางทีก็ไม่สนใจศึกษาความควรไม่ควรของพระว่าควรจะทํำอะไรพอเนื้ออยากจะทําก็ทําไปพอทําไปคนอื่นเห็นเข้าก็เห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควร ก็เลยไปฟ้อ ง, งรรพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเห็นว่าเออไม่ควรก็เลยห้ามก็เลยมีศีลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคำถามในอ inbox แต่คุณเสือซ่อนเล็บค่ะเพราะเหตุใดอาจารย์มหาวิทยาลัยดุดหลายคนที่นิสัยชอบโกรธโมโหวยวายเกี่ยวกับสายนักศึกษาและเพื่อร่วม ง, งานสุขภาพแข็งแรงดีไม่ป่วยไม่ไข้ ทั้งที่เบียดเบียนให้ผู้อื่นเดือ ด, ด, ดร้อนแต่อาจารย์แม่พระพ่อพระหลายคนที่เมตตากรุณาชอบช่วยเหลือผู้อื่นศึกษาธรรมะใจบุญกับเป็นมะเลงหรือป่วยหรือนอนป่วยหนักเป็นโรคเรื้อรางไร้แรงเห็นหลายคนมากๆค่ะจนเด็กยุคใหม่ที่ไม่สนใจธรรมะหลงผิดว่าเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีมีเมตตาศึกษาธรรมะกินเจแบบแม่พระพ่อพระแล้วจะเก็บกฎ เลียลึกๆข้างในจนเป็นมะเร็งขอพระอาจารย์อธิบายสั่งสอนเด็กหลงผิดให้มีสัมมาทิฏฐิด้วยค่ะก็เราเห็นตัวอย่างเพียงสองสามคนการจะทําอะไรเป็นสถมมิฏิมันก็ต้องสุ่มตัวอย่างเป็นร้อยเป็นพันเลยมีเพียงแต่เห็นเคสนั้นเคสนี้คนนั้นคนนี้ก็เลยเอามาสรุปว่าเป็นอย่างนั้นไปหมดมันไม่ได้เป็นหรอกเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นคนโลภมากหรือโลภน้อยหรอกมันเป็นได้พระยังตายก่อนพระที่ ไม่โลภมันก็ยังตายก่อนวัยก็ยังได้มันเรื่องของมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยการที่ทําให้เราไม่สุขไม่สบายทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทำให้เราตายก่อนเวลาอันควรเฉะนั้นเรื่องราวเหล่า น, นี้ต้องถือว่ามันเป็ น, ม, น ม, มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วคนดีตายก่อนก็มีคนชั่วตายก่อนก็มีคนดีอยู่เป็นน้อยปีก็มีเราะนั้นมันมันมันไม่สามารถที่จะสรุปได้เพราะว่าที่อยู่ได้นานเพราะเป็นคนดี แล้วถ้าอยู่อยู่ไม่นานเพราะเป็นคนชั่วหรือหรือกลับกันว่าอยู่ได้นานเพราะชั่วหรืออยู่ไม่ได้นานเพราะดีมันไม่มีหรอกมัน ม, มันไม่สามารถจะสรุปได้ <Yeah. S 1> เพียงแต่เราไปเห็นตัวอย่างสองสามตัวอย่างก็เลยสรุปเอาว่าอ๋อเนี่ยอาจารย์คนนี้ดีแสนดีแต่ไปเป็นโรวมะเร็งอาจารย์คนนี้เฮ่อไม่ดีกับมีอา ย, ยุยืนแข็งแรงมันมันเป็นแค่ กรณีสองกรณีมันไม่ได้เนอกมันไม่พออ่าถามต่อคาถามจากคุณเทิร์ฟเวลานั่งสมาธิต้องเปิดธรรมะฟังไปด้วยทุกครั้งเคยนั่งแบบเงียบๆแล้วจิตฟุ้งเหลือเกินค่ะการนั่งสมาธิพร้อมฟังเทศด้วยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมคะถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะนั่งโดยที่ไม่มีเสียงธรรมะเป็น ตัวผูกใจไว้เราก็ใช้การฟังธรรมผูกใจไว้ก่อนเวลาเราฟังธรรมะเราก็ไปคิดฟุ้งซ่านไม่ได้มันก็ทําใจให้เราสงบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สงบเต็มที่หลังจากฟังธรรมแล้วรู้สึกว่าใจสบายแล้วก็ลองปิดแล้วก็นั่งดูลมหายใจต่อหรือพุทโธต่อไปแล้วมันจะสงบมากกว่านี้ลงไปลึกมากกว่านี้เหมือนกับขับรถแล้วตอนต้นรถมันสตาร์ทไม่ได้ ก็สายรถเนื่นเขาลากไปก่อนพอลากไปแล้วพอรถติดเครื่องแล้วแล้วเราก็ขับของเราต่อไปได้บางทีเราต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมเป็นตัวทําใจให้หายฟุ้งซ่านก่อนพอใจหายฟุ้งซ่านแล้วมีสตดิดูลมหายใจได้ก็ดูลมไปดูลมไปอย่างเดียวแล้วจิตก็จะสงบเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับหรือพุทโธไปอย่างเดียวแต่ถ้าเราจะอาศัยการฟังธรรมตลอดเวลาเราก็จะไม่ก้าวหนะ้า เราก็จะได้เพีย ง, ย ง, ยงแค่ความไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายแต่จิตจะไม่รวมไม่ดิ่งลงสู่สมาธิได้แล้วถ้าเกิดวันไหนเครื่องฟังเสียก็นั่งไม่ได้เล ย, ยนั่นเราต้องใช้ตอนต้นได้อยู่แต่เราต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาจะดีกว่าฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยลืมตาขึ้นมาก็คอยดึงใจให้อยู่กับร่างกายอยู่กับพุโทโธไป แล้วต่อไปเราจะนั่งไม่ต้องฟังเทศฟังธรรมก็ได้นั่งปุ๊บ ก, ก็พุโทโธพุโทโธไปได้เลยดูลมไปได้เลยคำถามจากคุณธันวรายพะอาจารย์ใช้เวลากี่ปีถึงบรรลุธรรมเจ้าคะ อ, อ๋อนี่ต้องจ่ายเงินหลายล้านถึงจะตอบได้ถ้าอยากจะรู้หามาทักร้อยล้าน <c oughs> าจะบอกให้ัังกน คําขานจากคุณอภิพันธ์ค่ะเหตุใดจึงมีควรเครื่องมิปัจนานยานตอนนั่งสมาธิครับพระพุทธเจ้าก็ตัดสู้จากการนั่งสมาธิครับและตอนนั่งสมาธิดูเป็นสภาวะเหมาะสมสําหรับการพิจารณาเนื่องจากมีความสงบก็ให้มันสงบก่อนไงสงบแล้วเวลาจิตมันสงบตอนที่มันสงบอย่าเพิ่งไปพิจารณา อันนั้นกำลังสร้างกำลังขึ้นมาอยู่เหมือนกับเราแบตหมดอย่างเงี้ยก่อนจะไปใช้เครื่องเราก็ต้องชาร์จแบตให้มันเต็มก่อนพอเต็มแล้วเราก็เปิดเครื่องออกมาใช้ได้ถ้าไปเปิดใช้ในตอนที่เครื่องมันยังไม่เต็มเดี๋ยวบางทีใช้หมดก่อนบางทีมันใช้มากกว่าชาร์จกำลังชาร์จมันชา้ากว่ากาลังใช้เดี๋ยวมันใช้หมดไปก่อนมันก็ต้องหยุดอยู่ดีนั้นการนั่งสมาธินี้เป็นการเหมือนกับการชาร์จกาลัง ถ้าจนกระทั่งจิตรวมเป็นอัปปนาแล้วก็อยู่ในนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาเพราะตอนที่อยู่ในอัปปนามันไม่คิดเรไปใช้ทางปัญญาไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ต้องหยุดต้องไม่ให้คิดพอเดี๋ยวมันอิ่มตัวแล้วมันจะถอนออกมาแล้วมันจะเริ่มคิดพอเริ่มคิดก็เริ่มพิจารณาทางปัญญาได้ในขณะที่นั่งก็ได้พิจารณาร่างกายแยกร่างกายแยกเวทนาออกจากกัน ร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเวทนาเป็นทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปอย่าไปยุ่งกับมันใจเป็นผู้รู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปเพราะนั้นใจจะรู้เฉยๆได้เพราะใจมีอุเบกขาแล้วชาติอุเบกขาออกมาจากสมาธิเต็มที่แล้ถ้าไม่มีอุเบกขาเพราเจ็บหน่อยก็อยากจะขยับแล้วพราะปวดหน่อยก็อยากจะลุกแล้วถึงต้องมีสมาธิก่อนต้องมีกําลังของอุเบกขาไว้สู้กับความเจ็บก่อนสู้กับความอยาก มันถึงจะวิปัสสนาได้พระพุทธเจ้า ก, ก็ต้องสมถะก่อนเอาเริ่มต้นท่านสมถะก่อนท่านทําใจให้สงบก่อนพอใจสงบจิตพักผ่อนมีกําลังแล้วออกจากสมาธิมาที่นี้ท่านก็พิจารณาต่อได้เลยในขณะที่อยู่ในท่านั่งนั่ะเวลาจิตออกสมาธินี่มันไม่ไม่ต้องรอให้ร่างกายลุกขึ้นมาถึงจะออกมันออกก่อนแล้วพอออกปั้มเราจ ะ, จะเจริญปัญญาในในท่านั่งต่อก็ได้ ถ้าเราอยากจะลุกมาเดินพิจารณาก็ได้แล้วแต่ถามต่อไปคำถามจากคุณพักโหมตอนนี้โยมของพ่อพ่อของโยมบวชอยู่วัดบ้านท่านมีความเห็นผิดหลายเรื่องโยมก็เสนอความคิดที่พ้าสอนมาเป็นความคิดที่ขัดแย้งกับท่านโยมจะบาปไหมเจ้าคะอ๋อไม่บาปเหรอเพียงแต่ว่าควรไม่ควรใช่ไหมพ่อเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราไม่ควรที่ ไม่ควรที่จะไปสั่งไปสอนท่านแต่ถ้าคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็นกคุยได้ถ้าท่านยินดีรับฟังถ้าท่านไม่ยินดีรับฟังก็ควรจะหยุดถ้าท่านบอกว่ามึงอย่ามาสั่งสอนกูเลย ก, ก็ควรจะหยุดเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเราไม่บาเปเพียงแต่ไม่ควรคาถามจากคุณน้อย อยากถามว่าเมื่อจิตลงรวมได้แล้วต้องทาสมาธิไปเรื่อยๆหรือต้องยกธรรมะข้อไหนคะก็เพิ่งต่อไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปทําอะไรให้มันรวมให้มันนิ่งให้มันเป็นอุเบกขาไปนานๆจนกว่ามันจะออกจากอุเบกขาออกจากสมาธิมาที่จะยกเรื่องไหนขึ้นมาพิจรารณาก็ได้ยกเงินทองขึ้นมาพิจรารณาก็ได้ยกแฟนขึ้นมาพิจรารณาก็ได้ยกกระเป๋ารองเท้าขึ้นมาพิจารณาก็ได้พิจรารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น เพื่อต่อไปจะได้ไม่ต้องไปมีแฟนไม่ต้องไปมีเงินไม่ต้องไปมีรองเท้ามีกระเป๋ามีอะไรจะมีความสุขมากกว่าเพราะไม่ต้องมาทุกข์กับการหาไม่ต้องมาทุกข์กับการรักษาไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดพลากจากกันพอมีแล้วมันพออยากได้ก็ต้องหาหาก็ทุกข์แล้วพอได้มาก็ต้องรักษาก็ทุกข์อีกพอเสียไปก็ทุกข์อีกไปหาความทุกข์ตลอดเวลา เพิ่ต้องใช้ปัญญามาให้พิจารณาหเห็นว่าทุกอย่างที่เราต้องการนี่มันเป็นทุกข์อย่าไปต้องการเราไม่มีมันเราอยู่ได้ดีกว่ามีมันมีมันแล้วต้องทุกข์กับมันไม่มีมันก็ไม่ไม่มีมันจะต้องทุกข์ด้วยก็อยู่คนเดียวต่อไปได้โดนวันนี้โ ด, น, น, ดนเต็มที่เลยนะไม่ร <c oughs> ู้จะเข้าถึงใจหรือเปล่าไม่รู้ อ้าหูซ้ายออกกูขวาเดี๋ยวก็ไปเอาเลตต่อเนี่ยเออคำถามจากคุณสิริค่ะการเยึดขันสิความอดทนอดกลั้นต่อกเกลีตปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจสำหรับผู้ที่มีสติสมาธิปัญญาเพียงเล็กน้อยนั้นก็สามารถแก้ปัญหาไปได้บ้างและปัญหายังแก้ไม่ได้บ้าง เราพยายามคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอก็ต้องอยู่กันต่อไปหนูสมควรจะปฏิบัติอย่างไรในการยึดขันติเป็นแนวทางชีวิตคะถ้ามีก็ดีถ้าขันติไม่พอก็ต้องสร้างสติขึ้นมาเพราะกำลังของขันติก็อยู่ที่สติอยู่ที่สมาธินี่แถ้ามีสติมากมีสมาธิมากขันติมันก็จะมีมากขึ้นไป เห็นมันจเจริญสติอย่างที่บอกพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วขันติจะมากขึ้นสมาธิจะมากขึ้นส่วนปัญญานี้ยต้องพิจารณาถึงเยิมเกิดถึงจะมากได้ต้องพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นทุกข์แล้วถึงมันถึงจะตัดได้ข้ามั้จากคุณสตางเวลาภาวนาทํายังไงจิตถึงจะไม่ปุ่มซานเจ้าคะก็ต้องมีสติไงม่แล้วภาวนาถ้าภาวนาไม่มีสติมันก็ไม่เรียกว่าภาวนา ต้องมีสติต้องมีอะไรกำกับใจคุมใจไม่ใช่ให้ดูใจพวกที่ไม่รู้เรื่องเขาสอนบอกให้ดูจิตก็ดูมันดูไมันก็หลอกเราสิมันก็คิดกระเป๋าคิดรองเท้าคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วมันก็ฟุ้งขึ้นมาอยากขึ้นมาต้องหยุดมันไม่ใช่ดูการภาวนาคือการหยุดใจไม่ใช่การดูใจการจะดูใจได้ต้องมีสติมีปัญญาก่อนถึงจะดูได้ ดูเพื่อหยุดมันอีกละไม่ใช่ดูเพื่อไปตามมันดูเพื่อหยุดมันเพราะมันมันจะพาเราไปการเวียนว่ายตายเกิดไงถ้าเราตามมันไปมันก็พาเราไปเกิดใหม่ถ้าจะพาเราไปไหนพาไปหานู่นหานี่สิ่งนั้นสิ่งนี้พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่เพื่อที่จะไปหาต่อเพราเราต้องหยุดมันการภาวนาอันนี้เพื่อหยุดมันไม่ใช่เพื่อตามมันเราต้องใช้สติหยุดมันพุทโธพุทโธ เรื่งเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุ ก, กิริยาบทแล้วเวลาว่างนั่งหลับตาดูลมแล้วพุโทโธไปเนี่ยถึงถึงจะเรียกว่าภาวนาสมถภาวนาคำถามจากคุณนัทยานั่งสมาธิอย่างไรไม่ให้เป็นบ้าคะเห็นบางคนนั่งแล้วเขาเกิดเป็นบ้าเกิดจากอะไรคะเกิดจากการไม่มีสติคนที่ไม่มีสติก็คือคนบ้าใช่ไหด <c oughs> คนเสียสติ เย็นเวลานั่งสมาธิถึงบอกให้มีสติอย่าไปนั่งดูจิตนั่งดูจิตแล้วจิตมันดอกเราให้เป็นบ้าได้มันจะหลอกว่าเราเป็นพระอรหันต์พระละอะไรไปละกอนั่งหน่อยคิดว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ไปละเป็นเท้ามาหาภูมิเป็นอะไรขึ้นมาละครับถามจากคุณเพนคันทราบมาว่าพระอาจารย์ลงรตรวสัตว์ทุกวันติดต่อมาเป็นเวลาสิบปีพระอาจารย์มีความเพียรมีวิริยะสูงมาก ขอลักคิดหรือเคล็ดลับด้วยเจ้าค่ะง่ายนิดเดียวทํามันไปแต่ละวันนั่นเงคิดว่ามันมแค่วันเราทําแค่วันเดียวเราไม่ได้ทำสิบปียี่สิบปีเนีเราอยู่ในปัจจุบันเราก็ทํามันถึงเวลาทํำอะไรล้วก็ทํามันไปนั่นเองทําแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยไปพอถึงเวลามันก็ทำของมันเองอย่าไปนั่งคิดว่าเราจะต้องทํานี้ไปตลอดชีวิตจะต้องทํานี้ไปยี่สิปีสาสิปีไม่เคยคิดเลยเราคิดอยู่แค่วันเดียวเนี่ยวันนี้เราถึงเวลา ต้องทําอะไรเราก็ทํามันไปพอมันขี้เกียจก็เตะมันทิ้งเลยแต่ไอตัวขี้เกียจมันยามาขวางถึงเวลาต้องทําแล้วก็ทําแต่เวลาตื่นต้องบินรบาดก็ตื่นไปบินรบาดแต่เวลาต้องลองมานั่งคุยกับญาติโยมก็มาเนี่ยมันจะมันจะมาขี้เกียจมันจะมางองยาไม่ไม่ไม่ยอมให้มันงงเงี้เราต้องเด็ดเดี่ยวต้องเด็ดขาดกับกับกับหน้าที่ของเรา เอาเมียน่าที่อะเราจะต้องทําอะไรถึงเวลาก็ทําไปนะพอทําไปมันก็จะง่ายมันก็จะเป็นนิสัยไปพอถึงเวลาพอไม่ได้ทํามันกับรู้สึกไอ้ขาดอะไรไปเพอมันเคยทําทุกวันทุกวันแล้วมันรู้สึกมีความสุขไปกับมันเรื่อยๆเพาะฉะนั้นอย่าไปคิดไกลให้มันอยู่ในปัจจุบันเอาแค่ทีละเก<ม>้าเดินทีละเก้าเราไม่ได้เดินเดินทีเดียวร้อยเก้าใช่ไหมเวลาเราเดินแต่ละครั้งเราก็เดินเพียงเก้าเดียวเท่านั้นเอง งั้นเราก้าวเดียวเท่านั้นเดินไปได้เรื่อยเดี๋ยวก็กลายเป็นกิโลกลายเป็นสิบกิโลกลายเป็นยี่สิบกิโลไปเองอ่ขอให้เราก้าวไปทีละก้าวเท่านั้นอย่าหยุดกา้าวปัญหาอยู่ตรงเนี้ยพวกเรามันชอบหยุดกันพอมองไปเห็นว่าโอ๊ต้องไปสิบกิโลเลยไม่เดินเลยมันก็เลยไปไม่ถึงเห็นไหมเหมือนกับพระมาหาชนกเห็นไหมลอยอยู่กลางทะเลก็ว่ายไปสิว่ายไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็ถึงเองอ่ะถ้าไม่ว่ายมันก็จมอะไม่ไปไหน ไอคิดอย่างนี้คราวนี้เราทำอะไรได้ทําไปอย่าให้ความขี้เกียจมันมาขวางเราถ้าทําไม่ได้ก็เพราะว่าไม่สบายอลุกจากเตียงขึ้นมาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าลุกขึ้นมาเดินได้ก็เดินไปสิลุกขึ้นมาทําอะไรได้ก็ทําไปอย่าให้ความรู้สึกมันมาขวางเราแล้วพอทําไปแล้วต่อไปความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมันจะสู้ไม่ได้คําถามจากคุณญพล ค, คะ่ะ จากที่พระอาจารย์เล่ามาสมัยพุทธกาลเวลาพระพิสุทธ์ฟ้องพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเขาไม่กลัวทะเลาะ ก, กันหรืออาฆาตบ้าร้ายคิดกําจัด ก, กันหรือครับ ก, ก็แล้วแต่ว่ามีกิเลสไหมมากน้อยครับแต่พวกที่คนมาบวชส่วนใหญ่เขาก็เป็นพวกที่พยายามมาปราบติเลสอยู่แล้วแล้วอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันตสาวกที่คอยคอยคุมอยู่มันก็ทําให้ไม่กล้าหือกัน ถ้าใครหือใครทะเลาะกันเนี่ยถูกขับไล่ออกไปจากสงฆ์ทันทีจะไม่ให้อยู่ร่วมกันนั้นทุกคนส่วนใหญ่มาก็มาเพื่อมาปราบ ก, กิเลสพอรู้ว่าพาระพุทธเจ้าบอกนี่เป็นกิเลสก็เชื่อเขาลบในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีปัญหาตั้งจากนานๆสักครั้งที่มีปัญหาอย่างที่เมื่อวานนี้ที่มีคนเขาถามปัญหาเรื่องพระสงฆ์ทะเลาะกันแล้วพระพุทธเจ้าห้ามก็ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าวลา ใ, ใช้มาตรการ ห น, นีไปอยู่ตอนนี้ไปอยู่ในปา่าชาวบ้านก็สงสยัยทําไมพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกนี้ไม่ได้อพอรู้ว่าทะเลาะกันไม่เชื่อพระพุทธเจา้าชาวบ้านก็เลยไม่ใส่บาตรพอไม่ใส่บาตรก็เลยเชื่อพระพุทธเจ้ามาขอเข้ามาขออนุโมทนาเจ้ากลับมาอยู่ต่อเนี่ยพระเจ้าท่านฉลาดท่านมีมาตรการวิธีหลายอย่างสั่งสอนท่านเนี่ยนี่ท่านจะเป็นบรลมาศาสดาได้อย่างไรใช่ไหมท่านจะมาปราบปีเรศ ข, ของพวกเราได้อย่างไร ถ้าท่านไม่ได้เป็นพระบรมศาสดาคำถางจากคุณเกียมโยนิโสมนานัสการนํามาเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรครับเราไม่ค่อยทํานาญทางภาษาบาลีเดี๋ยวไปถามทางก o เกิลหนึ่งก น, นะโยนิโสมนานัสการแปลว่าอะไรน้ำเข้ามาใส่ตัวอ่าเห็นไหมเนี่กเขรู้แล้วน้ำเข้ามาใส่ตัวอ่าโอปัญิโกเนี่ย่ย เคยฟังอะไรแล้วก็เอามาว่ากําลังพูดถึงเรื่องเราหรือเปล่าเรื่องรองเท้านี่พูดถึงเรื่องเราหรือเปล่าเรื่องกระเป๋าพูดถึงเรื่องเราหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องเราก็รีบมาแก้ใช่ราชอบซื้อรองเท้าหรือเปล่ามันไม่ยอมน้อมกัน๋ยมันคิดว่าเรื่องพูดถึงคนอื่นพอพูดเรื่องนี้คิดเรื่องพูดถึงคนอื่นหลวงพ่อไม่ได้พูดถึงเราหรอกเราก็เลยไม่แก้ปัญหาของเราทันที เอคำถามจากคุณพีระเห็นกิเลสทําไมดับกิเลสไม่ได้ครับเพราะไม่มีกําลังเลยไม่มีเครื่องมือต้องสร้างกําลังสร้างเครื่องมือขึ้นมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างศีลขึ้นมาแล้วกิเลสมันก็จะตายอย่างราบคราบคำถามจากคุณสมบัติ ผู้ปฏิบัติทำมีความจําเป็นต้องรักษาศีลแปหรือไม่อย่างไรครับจําเป็นสิไม่มีศีลมันจะมีเวลามาปฏิบัติได้ไงใช่ไหมไม่มีศีลเดี๋ยวเย็นนี้ก็กินข้าวเยน็นไปกินเหล้าไปกินเลี้ยงกันไปดูหนังฟังเพลงกันแล้วมันจะเวลามาปฏิบัติตอนไหนล่ะมันก็ต้องมีศีลก่อนเพื่อจะได้เอาเวลามาปฏิบัติได้พอมีเวลาแล้วก็ต้องเจริญสติต่อนั่งสมาธิต่อแล้วก็เจริญปัญญาต่อเนี่ยมันเป็นขั้นขั้นไป จากคุณนันทนาค่ะก่อนที่จะรู้จักปฏิบัติทำนั่งสมาธิโยมเป็นคนทุกข์ง่ายทะเลาะกับใครจะเก็บมาคิดจำแล้วซ้ำอีกงานเป็นอาทิตย์ปัจจุบันกดใครแล้วแค่วันสองวันก็หายค่ะวันสองวันไม่ไม่กดง่ายเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ปฏิบัติทำแล้วจะเห็นได้ด้วยตัวเองเจ้าค่ะอวันสองวันนี่ก็ยังมากมันมันแค่สองสามวินาทีก็ควรจะพอแล้ว จะไปโง่นานขนาดนั้นทั้ำไมใช่ไหมฟองอครก็พูดอะไรก็พูดโธพุโทโธหายไปเลยอย่าไปเอามาคิดให้เหนื่อยยากพอเปล่าเอสติยังมีกําลังน้อยอยู่ต้องใช้เวลาสองสามวันถึงจะอยุดมันได้ถ้ามีสติมากๆเนี่ยใครพูดปักก็เฉยเลยผ่านไปแล้วเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปลืมไปแล้วมัน ก, ก็พูดเลยอ่าเห็นแล้ ว, ว อ, าาอ่วา ก็เห็นใน YouTube เห็นใน Facebook อยู่เห็นแล้วก็อยากจะหนีแล้วมั้งเห็นแล้วไปดีกว่าเห็นเาออคนนี้มีบุญคนที่ชวนไม่ได้มาละคนนี้คนที่อยู่ไกลนี่ก็ไม่ทันยังไงโอ๊บมันเกินพูดถึงท่านนานแล้วค่ะอ่านี่เป็นวัดสมานคั้งแรกอ่า ได้กำลังสนทนาทำกันนั่งฟังก่อนได้ไหมมีอะไรหรือเปล่าไมนะ่ไม่มีเดียวว่าตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดทางบ้านเขาส่งคำถามเข้ามาอยู่ก็นั่งฟังไปได้น ะ, ะ, ะคำถามต่อไปคำถามจากคุณลุงปราธนาพระโสดาบานันต้องบาเพ็ญบารมีอย่างไรครับ ใช้เวลาขี่อสงไข่ครับต้องอธิษฐานต่อหน้าพระอรหันต์ไหมครับเออไม่ต้องนะไม่ต้องอธิษฐานอธิษฐานกับตัวเรานั่นแหละว่าถ้าอยากจะเป็นโสดาบันต้องทําอะไรบ้างต้องบวชงนี้ต้องรักษาศีลงี้ไม่บวชก็ต้องรักษาศีลแปดรักษาศีลแล้วก็ต้องนั่งสมาธิแล้วก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยวางมันให้ได้ ปล่อยวางได้ก็จะเป็นโซดาบันไดคำถามจากคุณนิมิวสารณะคืออะไรครับที่พึ่งเนสาระก็แปลว่าที่พึ่งทางใจที่พึ่งมันมีสองทางร่างกายก็มีที่พึ่งที่พึ่งของร่างกายคืออะไรก็คือปัจจัยสี่ที่พึ่งทางใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเร า, เามาปฏิบัติ ใจของเราก็จะมีที่พึ่งจากความทุกข์ต่างๆคำถามจากคุณพรชนก ค, ค่ะขอถามเรื่องการเข้าปริวาสของพระค่ะถ้าทางวัดจัดะถานที่และก็มีการจัดหาเจ้าภาพาถ่าวายพระตาหารและนะ้ำปานะถุกงหรือไม่เจ้าคะอันนี้เราไม่รู้แหละตั้งแต่บวชมาแล้วไม่เคยไปงานปริวาสที่ไหนเลย้องไปถามวัดที่เขาจําดีกว่าว่าเ็าทำกันยังไง คำถามจากคุณอธิพันธ์ถอนจากอัปปนาแล้วสามารถทําการพิจารณาธรรมต่อได้ใช่ไหมครับการใช้ปัญญาอบรมสมาธิคืออะไรครับอก็เวลาจิตมันฟุ้งแล้วมันใช้พุโทโธไม่อยู่ก็ใช้ปัญญาแทนเป่นกาลังฟุ้งกับแฟนกลัวแฟนจะทิ้งกลัวแฟนจะจากก็พิจารณาให้เห็นว่ายัางไงก็ต้องทิ้งเราอยู่ดีต้องจากเราอยู่ดีเราห้ามเขาไม่ได้ยอมให้เขาทิ้งยอมให้เขาจากว่ามันก็จะหายฟุง้ง ถ้ายังไม่ยอมมันก็ยังฟุ้งอยู่นั่นเพราะมันเป็นอนิจจังแต่เรามันเป็นอนิจจังเอนยังไงต้องจากเราสักวันหนึ่งอนนัตตาเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาจะจากเราเราห้ามเขาไม่ได้ให้เห็นก็ ว, ว่าเขาเป็นอนิจจังอันัตตาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่ฟุ้งที่เราฟุ้งเพราะว่าเราไปเห็นว่าเขาเป็นนิจจังเป็นอัตตาที่ว่าเขาจะต้องเป็นของเราไปตลอดอยู่กับเราไปตลอด<ว verge>พอมันได้ข่าวว่าเขาจะไปแล้วก็ฟุ้งขึ้นมา นั่งสมาธิก็นั่งไม่สงบก็เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาพอพิจารณาปรุงได้ว่าเออปัญญายาไปก็เรื่องของมันห้ามไม่ได้หาใหม่ก็ได้ถ้าทีนี้มันก็หายสงบมันก็นั่งสมาจิตก็สงบเป็นสมาธิได้ไม่จำเป็นสมาธิไม่สงบแบบไม่ปรุงแล้วก็ S <S <S อม่รู้ใคว่าสมาธิมันก็ต้องร้อยเปอร์ซ็นตนั่นแหละมันถึงจะไปทางปัญญาได้เต็มที่ปัญญาของพระโสดาบันเนี่ยมันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเพราะมันฆ่ากิเลสได้เพียงหนึ่งในสี่ยยังมีอีกสามตัวที่ยังต้องฆ่าต่อผ้สกิดาผ้านาคาและก็ผ้าอรหัน่ยต้องฆ่าไปอีกสามอีกสามขั้นถึงจะหมดแต่ต้องใช้ปัญญาแต่ปัจสมาทิตนี้เท่ากันต้องมีครบก่อนถึงจะไปทางปัญญาได้ ต้องได้อัปปนาต้องได้อัปปนาก่อนเท่านั้นถึงจะไปทางปัญญาถึงจะฆ่ามีกําลังที่จะฆากิเลสได้ถ้ายังยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ยังฆ้ามไม่ได้คําถามจากอาจารย์งามข้อที่หนึ่งการทําบุญในวันพระกับทําบุญในวันปกปติผลบุญแตกต่างกันอย่างไรคะไม่ต่างหรอกก็เหมือนกันที่ทําบุญวันพระเพราะว่า สมัยก่อนพระเจ้าบอกให้ญาติโยมหยุดทางานวันที่หยุดทางานก็เลยเรียกว่าวันพระให้มาทําบุญกันสมัยนี้วันพระของพวกเราก็ต้องเป็นวันที่เราหยุดทางานคือวันอะไรวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะวันพระเราต้องไปทางานก็แค่นั้นเองเป็นเพียงวันที่ว่าเราจะได้มีเวลามาทาบุญแต่ถ้าเรามีโอกาสทาบุญโดยที่เราไม่ต้องรอวันพระได้ก็ทาไป สมัยนี้มันง่ายกดมือถือก็ได้วันไหนก็อยากจะบริจาคเงินเข้าวัดที่ไหนก็หาบัญชีของวัดมากดในมือถือโอนเข้าไปเลยก็ทำได้ตลอดเวลาทำปุ๊บก็ได้บุญปั๊บทันทีมันไม่ได้อยู่ที่วันที่เวลามันอยู่ที่การกระทาถ้าให้แล้วมันก็เกิดผลขึ้นมาทันทีคำถามจากคุณนพลค่ะ เข้าใจว่าเมื่อปฏิบัติจะมีอาการหลงปัญญามันเป็นไปได้ไหมครับไม่รู้มปนคำว่าหลงปัญญาอย่างไรปัญญาถ้าเป็นปัญญามันจะไม่หลงสิที่มันหลงก็คือมันไม่ใช่เป็นปัญญาอ <c oughs> แล้วจะแก้ไขอาการหลงปัญญาอย่างไรคะรก็ต้องฟังเนะอาปัญญาคุณพระเจ้ า, ามาใช้สิแล้วย่าใช้ปัญญาของเราเองศึกษาพระเจ้าสอนว่าพิจารณานิจังว่าเป็นยังไงอนาตตาเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงแล้วมันก็จะไม่หลง เรียนนังสือก็ต้องมีอาจารย์สอนใช่ไหมไม่ใช่ไปนั่งคิดเราเองถ้าคิดเราเองไปสอบก็ตกแน่ๆก็ต้องถามให้อาจารย์สอนว่าวิชานี้ให้คิดยังไงบวกเลขบวกยังไงคูณเลขคูนยังไงไปนั่งบวกเองคูณเองเดี๋ยวสองเป็น2อคูนสองเป็น8ขึ้นมา <c oughs> ได้ไมาคิดไปเองวะพอไปสอบมันก็ต ก, กสิอันนี้ก็เหมือนกันถ้าปัญญาคิดของตนไปเองก็เป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาแต่พอไปสอบก็ตกเพราะมันไม่ได้เป็นปัญญามันหลงปัญญา มันต้องมันต้องมีคนที่รู้ปัญญาว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ไปศึกษาจากคนที่เขารู้ <c oughs> แล้วเราก็ออามาใช้แล้วเราก็จะสามารถได้ปัญญาที่แท้จริง <c oughs> ถึงต้องฟังเทศฟังธรรมไย <c oughs> การฟังธรรมนี่สำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติ <c oughs> เพราะเราไม่มีปัญญาของเราเอง <c oughs> เราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ <c oughs> เพื่อที่จะมาฆ่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจ ถ้าเราใช้ปัญญาของเราก็มาเลี้ยงกิเลสเท่านั้นเลยใช่ไหมจังวันนี้เราใช้ปัญญาของเราเป็นยังไงเวลาหิวกาแฟก็ไปกินกาแฟเมื่ออยากกาแฟอยากจะให้ความอยากหายไปก็ต้องดื่มกาแฟเท่านั้นเองเพดืม่มรับความอยากก็หายไปสบายโดยดืยด่มกาแฟาาเดี๋ยวมันมาอีกปัญญาหลงอะไรอย่างเงี้ยปัญญาหลงหลงปัญญาไม่ใช่ปัญญาแท้ปัญญาแท้ต้องไม่กินเว ja uh. ลาอยากก็ต้องหยุด พอหยุดการอยากต่อไปมันก็ไม่หิวมันก็ไม่อยากนะายานั่นแหละนนะวิปัสาปัญญาหลวง <c oughs> เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอก บ, บัว <c oughs> เห็นทุกข์เป็นสุขเห็นกาแฟก็สุขเราจะเห็นว่ามันทุกข์บางทีก็รู้นะแต่ยังไม่ทำ บางขนาดบางทีบางทีรู้ยังไม่ทันเลยแล้วไอ้บางไอ้บางทีที่ไม่รู้มันเยอะมากมันบ่อยมากแต่ว่าบางทีมันนิดเดียวเลยส่วนใหญ่ไม่รู้เลยไปเลยพอดื่มพอหลับพวกก็ตื่นกับเอาหมดเก้าแล้วค่อยรู้รู้กูรู้งงี้กูไม่เดื่มนีกว่าอ่ะว่ามาต่อ คำถามจากคุณนักชัยเราจะพิจารณาหลักทำใดจึงจะทําความท้อแท้เหนื่อยหน่ายให้เบาบางลงก็อย่ากไปคิดสง่ายที่สุดก็พุทโธพุทโธไปเวลาท้อแท้เหนื่อยหน่ายก็พุทโธพุทโธไปพอเราไม่คิดมันก็ไม่มความท้อแท้เหนื่อยหน่ายก็หายไปยิ่งคิดก็ยิ่งท้อแท้ใหญ่คำถามจากคุณกันนิชยา ถ้าดีดามีความเห็นที่ผิดผิดไปจากสัมมาทิฏฐิและฮิริโอตปะเป็นลูกต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็เรื่องอของท่านเนี่ยท่านไม่ถามเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาหนังสือธรรมะเอาอะไรไปไว้ที่ใกล้ๆท่านก็แล้วกันเปิดท่านว่าท่านเปิดอ่านท่านก็จะได้สัมมาทิฏฐิกลับมาแต่เป็นลูกเราถ้าท่านไม่มาถามเรามันก็ไม่ควรไปบอกไปสอนท่านเพราะไม่ใช่ฐานะของเราถ้าไม่อยากจะฟังเราหรอก เพราะเราเพราะท่านมีแต่สอนเราใช่ไหมท่านเลี้ยงเรามาแล้วอยู่ๆจะมาให้เราไปสอนท่านนี่มันรู้สึกว่าอย่างน้อยก็เสียศักดิ์ศรีนะแต่ถ้าท่านรู้ว่าเราฉลาดกว่าแล้วอยากจะให้เราช่วยอย่างพ่อพระพ เ, เจ้าเนี่ยขอ เ, เจ้าสอนพระพทเจ้าก็เลยไปสอนถ้าไม่ไม่เรียกไปเ พ, พระพุทเจ้าก็ไม่ไปสอนท่านถามจากคุณสมศรีค่ะ สามีภรรยาได้ทําบุญร่วมกันในชาติพพนี้แล้วจะได้กลับมาเกิดในภพชาติต่อไปจะเกิดเป็นคู่กันอีกหรือไม่คะก็ต้องทําบุญเท่ากันทําบาปเท่ากันเหมือนกับขับรถสองคันเนี่ยต้องความเร็วต้องเท่ากันมันถึงจะต่ามกันทันใช่ไหมถ้าคันนึงเร็วกว่าคันหนึ่งช้ากว่าเนี๋ยมันก็ต่างแต่ไม่ทันเดี๋ยวคันหนึ่งไปติดไฟแดงแล้วอีกคันนึงผ่านไปได้ที่ตามไม่ทันใหญ่ เห็นถ้าอยากจะพบกันทุกพบทุกชาติก็ต้องทําบุญเท่ากันทําบาปเท่ากันเพราะว่าเราทําบาปมันก็จะได้ไปใช้บาปด้วยกัน <c oughs> <c oughs> พร้อมกันถ้าคนหนึ่งทำบาปแต่คนที่ไม่ทําบาปยวก็ไปคนละที่นะ่ะใช่ไหมคนทําบาปก็ต้องไปอบายคนทําบุญก็ไปสวรรค์แล้วมันจะไปเจอกันที่ไหนคาถามจากคุณเซีย เราทราบได้อย่างไรว่าถึงยานสองมีอาการอย่างไรบ้างครับไม่ทราบหรอกถ้าเราไม่ได้ไปอ่านหนังสือเราก็ไม่รู้หรอกเวลานั่งเราก็นั่งไปมันจะยานชาญไหนก็ช่างหัวมันได้ขอให้มันสงบไม่ให้มันคุ้งซ่านให้มันมีความสุขก็ใช้ได้แล้วอ่ะข้อถามจากคุณสนิทขอทราบวิธีการฝึกสติเนื่องจากกับผมทํางานประจำมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างครับให้มีสติอยู่กับการทํางานเนีไง กำลังทําอะไรก็อยู่กับการงานที่เราทำํำอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะมีสติในระดับหนึ่งคําถามจากคุณลาวันค่ะขณะนั่งสมาธิปวดหลังมากแต่ไม่ได้หยุดบางวันคนไม่ไหวต้องนอนทําควรทําอย่างไรดีคะก็ ท, ทําไปเท่าที่จะทําได้นอกจากว่าจะสามารถปล่อยวางความเจ็บได้เจ็บก็ทนหนึ่งไปอย่าไปสนใจมัน ไ่ยมันเจ็บไปแล้วก็พุดโทรไปคำถามจากคุณเอสเพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีดูครูบาจามที่ถูกต้องให้หน่อยครับ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> <c oughs> ก็ดู ว, ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่า ก่อนอื right. Tim, no ่นเราก็ต้องไปดูว the to mm like hm. ่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นยังไงแล้วก็ดูไม่ได้ออกมันก็ต้องไปศึกษากับคนที่เขาดูเป็นไปอยู่กับคนที่เขาดูภาพเป็นเหมือนเราอยากจะดูเพชรอยากจะซื้อเพชรอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเพชรเพชรปลอมหรือเพชรจริงเราก็ต้องไปศึกษาคนที่เขาดูเพชรเป็นถ้าเราอยากจะรู้ว่าครูบาอาจารย์เป็นยังไงก็ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เราเชื่อว่า แล้วมีคนนั่นเลยว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีถ้าเราไม่รู้เองเราก็อาจจะต้องอาศัยคําแนะนําของผู้อื่นก่อนแต่ก็ไม่ควรจะเชื่อแบบปากหัวปากหัวจมเพราว่ายัางไงก็ลองไปพิสูจน์ดูก่อนก็บางทีเขาอาจจะหลงก็ได้เขาอาจจะไปเชีย่ยองค์ผิดก็ได้ไม่ใช่ว่าใครเขาแนะนําแล้วก็จะจะจะเป็นอาจารย์ที่ดีได้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติ ด, ด้วย ท่านสอนอะไรแล้วเราปฏิบัติเราพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่ท่านสอนท่านสอนว่าดีแล้วเรามาปฏิบัติแล้วมันดีไหมออถ้าไม่ดีเราก็จะรู้ว่ามันไม่ไม่ใช่นั่นแ่ะเราก็จะได้ไม่ต้องไปเชื่อท่านมันก็ต้องหาวิธีที่ศึกษาดูก็เหมือนกับซื้อรถเนี่ยเวลาจะไปซื้อรถเราก็ต้องถามคนก่อนใช่ไหยไอ้ยีออ่ห้อไหนดีวะรู้ไหมไม่ใช่จู่ๆก็เดินไปซื้อเลย ซื้อเลยก็ได้แต่จะไม่ได้นางใจหมายก็ได้แต่จะได้นางใจหมายก็ต้องถามคนที่เขาใช้มาแล้วว่ารุ่นที่เท่านี้ดีไหมรุ่นนี้ดีไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็เหมือนกันอยากจะรู้ว่าครูบาอาจารย์องนี้ดีไหมก็ไปถามคนที่เขารู้จักท่านว่าเราะเป็นท่านเป็นอย่างไงดีไม่ดีด<ม>แล้วก็ยังต้องไปพิสูจน์อีกทีอาจจะดีสําหรับเขาแต่ จ, จะไม่ดีสําหรับเราก็ได้ ไม่แน่นอนคำถามจากคุณอธิพันธ์ถักนั่สมาธิแล้วเหลือเพียงอุเบกขาถือเป็นเกณฑ์ที่เข้าสู่อัปปนาสมาธิใช่หรือไม่ครับอ่าก็เป็นอุเบกขามันก็เป็นอัปปนาสมาธิแล้วการที่ติอถอนออกมาควรกําหนดกลับเข้าไปหรือไม่อย่างไรครับถ้าสมาธิเรายังไม่แน่นยังไม่ทํานานก็ถัดทําสมาธิให้แน่นให้ทํานานก่อนยังไม่ต้องไปทางปัญญา ว่ายัางกําลังยังไม่เต็มที่ยังไม่ได้เต็มร้อยใ้สมาธิได้เต็มร้อยแล้วค่อยไปทางปัญญาจะดีกว่าแตากจะไปก็ได้แต่มันจะไปแบบไม่มีกําลังไปแล้วมันจะสู้กิเลสไม่ได้อยู่ดีสู้หัดมาฝึกสมาธิให้ํำงานเข้าได้ทุกเวลาต้องการจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้นานั่งก็นั่งได้นานอย่างนี้ก่อนพอได้อย่างนี้แล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไป ถามจากคุณนภพ ค, ค่ะจิตที่เริ่มเป็นพระเจ้าของจะรับรู้ได้ไหมครับและเมื่อเกิดความรู้สึกว่าไหว้ตนเองได้นั่นเป็นสัญญาณเตือนความเป็นพระแก่เจ้าของหรือเปล่าครับ อ, อ๋อความรู้สึกนี้ไปเชื่อไม่ได้หรอกบางทียกขาตัวเอง <c oughs> กราบตัวเอง <c oughs> <c oughs> ต้องดูที่ว่าความอยากน้อยลงไปหรือเปล่าจิตใจสงบมากขึ้นหรือเปล่า ควบคมอารมณ์ได้หรือเปล่าอาทำนองแบบนีม้มากเป่าหมดแล้วค่นน ะ, ะพอดีงานการก็พอสมควรแก่เวลามีใครอยากจะถามอะไรไหมถามมาพ่อเคยพูดว่าตายแล้วสูดค่ ะ, ะหรือก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันอยู่ในหัวเนี่ยว่าถาท่านท่านบอกว่าตายแล้วสูดแต่ท่านเป็นคนที่คล้ายๆก็ค่อนขๆแกทำบาปน้อยแต่ทาไม ก็เพราะว่า <championships> ท่านเห็นร่างกายเป็นตัวท่านเองส่วนเดียวไงร่างกายตายมันก็สูนย์เลยร่างกายตายไมันก็กลายเป็นขี้เท่ามันจะไปไหนมันไปเกิดใหม่ได้เปล่าร่างกายนี่ท่านไม่รู้ร่างกายไม่เกิดแล้วร่างกายนี้มันไม่เกิดแล้วไอ้ที่ไปมันไม่ได้เป็นร่างกายคือใจดวงวิญญาณมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายไอ้ตัวนี้ที่ไปเข้าไปที่จะไปเข้าท้องแม่ต่อไปไปเอาร่างกายใหม่ของของแม่คนใหม่ ไอตัวนี้ไม่ได้ตายไอตัวที่ขี่ม้าไม่ได้ตายม้าตายแต่คนขี่ไม่ได้ตายเข้าใจไหมคนขี่ก็ไปหาม้าใหม่ขี่เท่านั้นเองร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนม้าใจนี่เป็นคนขนี่ม้าเข้าใจใจเป็นคนสั่งให้ม้าร่างกายนี้มาที่นี่ใช่ไหมใครเป็นคนสั่งให้ร่างกายมานี้อ่าจิตใจใช่ไหมความคิดใช right. ่ไหมอ่าไอตัวนี้ไม่ได้ตายไงแต่ตอนนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างเราเลยมองไม่เห็นคนที่ไม่ได้ศึกษาก็เลยว่า ตายก็ศูนย์นั่นเองตายแล้วร่างกายก็ศูนย์เพราะมันมองไม่เห็นไใ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่ขี่ร่างกายนี้มองไม่เห็นตัวที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรนี้เขามองไม่เห็นเขาก็เลยต้องว่ามันศูนย์นักวิทยาศาสตร์คล้ายๆก็ว่าศูนย์อย่งนั้นแต่พวกจิตศาสตร์พวกที่มาปฏิบัติสมาธินี้เขาจะเห็นตัวจิตเขาจะรู้ว่าไม่ศูนย์เขาจะรู้ไอ้ตัวนี้ที่จะไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปไปเกิดใหม่ไม่ได้เกิดใหม่ไปเอาร่างกายอันใหม่ ร่างกายของแม่พ่อแม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่ได้ตายเดี๋ยวก็มีตัวเองแบบชอบมีดีวอนชอบง่วงชอบอกินให้มันน้อยเดี๋ยวนั่งสมาธิต้งถือศีลแปดอ่าต้องถือศีลแปดเหมื อ, อนหูดับไปเลยคะแบบถ้าสุขทางกายมันก็จะสุขทางใจไม่ได้ถ้าอยากจะสุขทางใจก็ต้องทุกข์ทางกายให้มันหิวทีนี้ไม่ง่วง ต้องน่ากเปลี่ยนกันเอาทั้งสองอย่างด้วยกันพร้อมๆกันไม่ได้บางครั้งก็บางครั้งก็ไม่ได้ทานมากแต่ว่าเวลาฟางางาังธรรมะหรือว่าสวดมนต์นะบางทีจะหลับเงียบไปเลยเนี้ยนั่นแหละมันทานมาแต่เราชอบปฏิเสธเราชอบปฏิเสยว่าไม่ทานมากไม่ชั่งน้ําหนักด้วยอาจารย์เอาความรู้สึกมันก็หลอกเราอย่างเงี้ยไม่ทานมากหรอกนิดเดียวถ้ามัานง่วง ม, ม, มันก็บอกเรามากนถ้ามันไม่ง่วงมันถึงย่ำไม่มาก ลองอดข้าวดูเสร็จแล้วมันจะรู้่าไม่มากอ่ะเขาถึงงั้นก็แก้ไขเลยการตรงนี้เท่านั้นเหรอคะอ่าแล้วไปอยู่ที่หน้ากลัวก็ได้ไปนั่งในป่าช้าก็ได้อ่ามันก็น่ากลัวมันไม่ง่วงอ่าไปสิเพื่อนพาไปอ่ไปคนเดียวันต่อไปอ่าเนี่ยแหละไปคนเดียวมันรับรองไม่ง่วงแน่แนก็ดีเสียงด้วยท่านก็ดีไงนั่นแหละมันจะได้ไม่ง่วงไง